ขอเชิ ญ, ญท่านพอนายโยมท่านสาธุชนสรมประสัตว์และนายโยมวัดอพวันทุกท่านในโอกาสวันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันและก็ใช้เวลาตั้งแต่ที่มาถึงนี้จนมาถึงวันนี้นท่าท่าั้งหลายก็ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ประสบการณ์อันนี้เรียกว่าเป็นการเข้าถึ ง, มมงธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นทําให้เรารู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงนั้นอยู่ที่ไหนบางทีเรามีพุทธ ร, รูปอยู่ที่บ้านแต่พุทธ ร, รูปที่เรากราบเราไหว้ก็ไม่ได้อยู่ในไม่ได้ม่อยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เข้าใจคํา ของพระเจ้าที่ว่าผูใ้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเพราะว่าที่พระเจ้าว่าใครจะเห็นพระเจ้านั้นต้องเห็นธรรมะคือเห็นด้วยตาใจเห็นจากการปฏิบัติและมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของเราที่ได้มีโอกาสปฏิบัติอาตมาว่าคลมหลายกลมน่าจะได้มีนโยบายอย่างนี้คือเปิดโอกาสให้ให้การในทั้งกัดได้มีโอกาสทางนี้ แต่ว่าไม่ใช่ทุกท่านจะโชคดีอย่างนี้ เ, เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสก็ใช้เวลาทุ่มเทให้กับการปฏิบัตินี้เต็มที่ซึ่งการทุ่มเทการปฏิบัติอันนี้นั้นต้องจะทำได้ต่อเนื่องก็ต่อเมื่อมีคุณธรรมพื้นฐานสี่ประการตอนจิตเรื่องคุณธรรมพื้นฐานสี่ประการนี่ ต้องพูดกันตั้งแต่วันแรกๆในสสตัเพราะคนที่จะปฏิบัติธรรมสาเร็จและคนที่จะไปทํางานสําเร็จเป็น ร, ราชการอะไรต่างๆนั้นแม้ท่าเป็นนักการเมืองปัจจุบันที่กําลังหาเสียงกันอยู่นั้นจะต้องมีคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานคุณธรรมพื้นฐานนี่เหมือนกับเวลาที่เราจับตู้เปิดตู้ระชากมันก็ต้องรงเสาเข็ม เราจะสร้างบ้านที่ใหญ่โตเท่าไรถ้าพื้นฐานมันไม่ดีอาคารนั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็พังเพราะฉะนั้นในลักษณะของการที่เราจะสร้างตัวของเราให้เป็นคุณลัการที่ดีเป็นคนที่มีความสำเร็จในชีวิตก็จะต้อง ป, งปรับราก ฐ, ฐานโดยเพราะในทางทำด้วยแล้วขาดพื้นฐานไม่ได้ เหมือนกับเราจัมาปฏิบัติธรรมที่นี่อยู่กันที่นี่บางคนจะไปได้รยอบางคนเจ็ดวันนี่ไปได้ลิบลับแต่บางคนก็เฮ้งเหมือนกับเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆายเนี่ยก็คือว่าพื้นฐา น, ม, นมันรับไม่ได้ที่เราบอกว่าใจมันไม่รับใจมันไม่ยอมมาแต่ตัวต่ใจมันไม่มา อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปสรรคที่สาคัญแล้วชั่วามาแต่ตัวจ้างไม่มานั่นก็คือขาดความจริงใจจริงใจแล้วก็เลยทำให้ไม่จริงจังเพราะใจมันไม่จริงใจมันไม่ยืนยมขึ้นมาเนี่ยเอ็กสารปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลเพราะเราไม่ทำจริงคำว่าจริงจังหรือจริงใจมันก็เป็นคุณธรรมพื้นฐานข้อที่หนึ่งที่ว่าสี่ข้อ สัจจะสัจจะ ก, ก็คือจริงจริงนี่กหมายถึงจริงใจก่อนแล้วก็ต้องจริงจังทีงนี้ถ้าเราไม่ต้องเรื่องอะไรมากแค่เรื่องปฏิบัติเอคนไหนที่เอาจริงเอาจังแล้วก็มีความจริงใจจะไปได้เร็วเพราะปฏิบัติตามขั้นตอนที่อาจารย์ท่านสอนแต่ละขั้นไม่ละขั้นตอนไม่หลบเหล็กตรงนั้นตรงนี้ เหมือนกับคนที่เรียนวิชาอะไรต่างๆก็เหมกันเรื่องกีฬาเราก็จะเห็นคนที่ได้เหรียญทองอย่าที่เราหรือเปล็กว่าก็จะได้เหรียญทองเขาไปเก็บตัวไปเข้าค่ายไปฝึกไปซ้อมแต่คนบางคนนี่ไม่ทําบางคนได้เป็นถึงแชมป์โลกนักมวยวมมเราก็คงได้ยินแต่ ปรากว่าเทรนเนอร์อะไรต่างในโปรโมเตอร์นี่บ่นนักเกินนิสัยไม่ดีซ้อมมันก็ไม่ซ้อมถึงเวลาก็ไปป้องกันตำแหน่งเอาเขาเอาไปกินแทะนะเป็นนักมวยขึ้นมาถึงขั้นนั้นแต่แรักษาตำแหน่งแชม่มมไม่ได้เป็นผู้จการขึ้นมาบาทีจะไปต่อก็ไปไม่ได้เพราะว่าบางทีมันโชคช่วยขึ้นมาได้แต่บางคนว่าข้างในนี่มันไม่ดีคือใจมันไม่ให้ เราก็ต้องมาปรับฐานภายในใจของเราทุกเรื่องไม่ว่าเราจะทําอะไ ร, ะะไรนี่ต้องมีคุณธรรมพื้นฐานสี่ประการอย่างเพราะฉะนั้นอย่างที่เราจะมาปฏิบัติกันที่นี่ปฏิบัติเพื่ออะไรให้ได้อะไรให้มันชัดอยู่ในใจแม้ท่านจะฟังวันนี้เนี่ยฟังเพื่ออะไรและเราจะต้องให้ได้อะไรถ้าใจเ ร, เริ่มเริ่มตรงนี้ซะก่อนเนละ ทำอะไรก็เขาเรียกว่าพสิทธิ์พลังเขาบอกว่าการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยเท่ากับสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งการเริ่มต้นที่ดีที่ม่นสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเริ่มที่ใจพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเนี่ยเราก็ต้องถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและเราจะไปไหนคําว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยหมายถึงการสํารวจตอนภาษาพระก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการสํารวจตอนการมองตอนเราเรียกว่ามองด้านในปกติเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราจะต้องมีความรู้สามเรื่องรู้ตัวเองแล้กวก็รู้ตน รู้คนที่ทํางานร่วมกับเราทั้งหมดแล้วก็รู้งานรู้งานสามอย่างใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงเขาอื่นเป็นคนยังไงแล้วมีงานอะไรที่เราจะต้องทําบ้างมีระบบระเ บ, บียบกฎตรงไหนบ้างก็จะทําให้เราทํางานงเต็มเปรตทีนี้าถามว่าทั้งสามอย่างรู้ตนรู้คนและก็รู้งานนีถ้าลองนึกดูว่อันไหนมารู้ง่ายที่สุด รู้ง่ายที่สุดระหว่างหนึ่งตัวเราเองเป็นคนยังไงสองคอนโรงงานเป็นคนยังไงสามงานที่เราทําทั้งหมดมันมีอะไรบ้างต้องทํำยังไงเปค่าเป็นตอนอะไรอันไหนมันเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดไวที่สุดคําตอบก็คือโรงงานง่ายที่สุดเพรงานที่เราทํำมีจิตที่มีจี่เรื่องเนียเราจะเรียนรู้นะสอนกันก็ได้บอกกันก็ได้ แต่มาถึงเรื่องระหว่างรู้ตัวเองกับรู้จักคนอื่นเพื่อนลูกงานหรือคนที่อยู่บ้านเดียวกับเราจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือใครก็ตามระหว่างบอกรู้จักเขากับรู้จักเรารู้จักใครงา่ายไหมถามตัวเองแล้วท่านจะตอบได้ตรงกันบางคนบอกรู้จักคนอื่นง่ายกว่ารู้จักตัวเราเองยากกว่าบางคนก็บอกรู้จัก เออตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายอยู่กับตัวเองมั้ยคนอื่นมูจักยากไม่ตรงกันแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่ารู้จักตัวเองรู้จักยากเพราะส่วนมากเราจะไม่จะถามคนอื่นว่าผมเป็นคนยังไงครับหรือฉันเป็นคนยังไงครับช่วยบอกหน่อยแต่เวลาใครถามให้เราบอกว่าคนนู้นคนนี้เป็นยังไงเนี่ยเราบอกได้นะมแต่ถังถามบอกนึกลองวิจารณ์ตัวคุณนึกไม่ออก เป็นมากไม่มีข้อบกพรองดีอยู่แล้วคนเป็นอดีโอ้แต่ละค้อยต้องปรับปรุงอะไรบ้างเารียกไปจารนัยได้หมดแต่ถึงค่าวันหน้าเราควรจะปรับปรุงตัวเองยังไงบ้างนะครับเหมือนออกมามากดีอยู่แล้ว <c oughs> ก็ห ม, มายความว่าไงหม้ยความว่าเรานี่ไม่เคยรู้จักตัวตัเองเรารู้จักคนอื่นได้ง่ายกว่าบางทีเราต้องไปถามหมอดูนะ เอาเลขลัคนาราศีนี่ตกฝากนี้เวลานี้เกิดวันที่ตัวนี้เป็นคนมีนิสัยยังไงมาดูถามแล้วนี่มันเลิกใครผมเองรอครับแต่ผมเค่ดูนิสัยผมเป็นคนยังไงฉลาดปราบเรื่องหรือเปล่าต้อแสดงว่ายัง ไ, ไ, ไงบา้ที่เรา น, นึกไม่ออกว่าเราเป็นคนยังไงหลายคนเขียนจดหมายไปถามตำนหนิซื้อกินเล่าปัญหาอันนู้นอันนี้ตัวเองโดนเขหลอกบ้างอะไรบ้าง แล้วก็าจะถามไ้ข้อหนึ่งแล้วคุณหมอวันหูเป็นคนยังไงคะ mm. ถึงได้ถูกหลอกนะคะ่ะ mm. ถามเด็ก mm. ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมเราถึงไม่เปรู้จักตัวเองเ mm. อี่ยวว่าแต่เราไม่รู้จักตัวเอง น, ะนักจิตวิทยาก็ไม่รู้จักตัวเอง น, ะ mm. นักจิตวิทยาที่เขาจะพัฒนาตัวเองนี่ mm. เขาทํำยังไง mm. เขา เขียนไดอารี่บันทึกประจําวันไงหน้าซ้ายมือเขาก็เขียนว่าวันหนึ่งเขาเขียนนี้ข้อดีของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีข้อดีอะไรบ้างเขียนเลยนะ่ะเป็นข้อ ข, ข้อข้อเสียงของข้าพเจ้าหน้าขวามือพอถึงข้อดีของข้าพเจ้าเนี่ยก็เขียนแป๊บเดียวได้หน้าครึ่งเยอะเหลือเกินปุ๊ บ, บ, บพอถึงข้อเสียงของข้าพเจ้าคิดหัวแตบแตกได้ครึ่งหน้า ไม่เครมีเลยไอ้ที่จะต้องปรับตรุงไงนะวันหนึ่งแกก็ลืมอสมุดบันทึกของแกวไว้ที่บ้านไปทํางานภรรยาของนักจิตวิทยาคนนั้นก็มา อ, อ่านเจอหน้านั้นพอดีเลยโอ้โหทำไมสามีเราข้อดีเยอะแว่นน่ะเมาดูข้อเสียมีนิดเดียวภรรยาก็เลยช่วยเติมข้อเสียของสามีให้อีกมากขึ้น สักเดียวเขียนได้หมดเลยมีข้อเสียอะไรบา้างสามีเราต้องปรับปุงตรงไหนตรงไหนพ น, นักจิตวทยาตามมาอ่านเจอมึนไปเลยโอ้ตัวมันเยอะเลยเกิดแล้วถูกกันด้วยขนาดนักจิตวิทยายังไม่รู้อ่เยังมันจะต้องกลับปรงอะไรบ้างถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้พระจะตอบได้ดีที่สุดพระท่านบอกว่าหนึ่ง ปกติวันวนหนึ่งเนี่ยสายตาของท่านเนี่ยมีไว้มองใครมองคนอื่นใช่ไหมมันมองออกไปข้างนอกมันไม่ได้มองกลับมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อมันมองออกไปข้างนอกหนึ่งมันจะเห็นแต่คนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองอ่านี่ข้อนหนึ่งแล้วนะเราจรึงไม่เคยเห็นว่าเราเป็นคนยังไงเพราะเราจะไปดูคนอื่นทำดีที่ไน่ดีทำผิดเล่ห์ผิดแต่ บางคนบอกวนะ่าครันบางทีก็ส่องกระจกดูวเวลาท่านส่องกระจกดูเนี่ส่วนใหญ่ท่านจะดูยังไงอะไรที่เป็นหน้าของท่านเนี่ยท่านคุ้นหมดถ้ามีอะไรผิดปกติท่านจะรู้เอาเพื่อยตรงนี้เแต่ท่านจะไม่ไรมู้ระเอียแบะมันผิดปกติมากเนาะอย่างไรเพราะไม่ได้เทียบกับใครเพราะฉะนั้นเวลาท่านดูตัวเองเนีย่ยพยายามมองตัวเองไม่ว่าจะส่องกระจเขาไดนะ้ไหท่านมักจะนึกว่าไอ้สิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยดีอยู่แล้ว เขารียกว่าอาคติเข้าข้างตัวเองปกติคนเราจะมีฉันทางอัคติอัคติเข้าข้างคนที่เรารักสมมติลูกเรามีสองคนคนคนแรกกันที่สองโคปีกับคนคนที่สองคนสุดทองถท่านรักจนสุดทองไอ้คนโคปีทําไรนี่มันผิดอยู่เลยตีมันเลยไอ้คนสุดทองนี่โอ้มันดีตารพัดอ่าวราเรียงเข้าข้างคนที่ท่านรักแต่นี้ท่านรักใครท่านจะรำเรียงเข้าข้างคนนั้นเขาทําผิดท่านก็ว่าทำถูก ทีนี้ถามว่าในโลกนี้เนี่ยท่านรักใครมากที่สุดรักใครมากที่สุดวันที่12 ส, สองสิงหารักคุณแม่จรงิงเอาอะไรจะให้คุณแม่บ้างนี่ซื้อประกวเไป้อของขนมไปให้คุณแม่แต่เราดิทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยไปเลยประกวดไปเอ๊ะทุกคนใครรักใครกันมากพริเจ้าเกิดว่านักทิอฐตัปตะมังเตมัง รักใดไหนเล่าจะเท่ารักตัวเองคนที่เรารักมากที่สุดเนี่ยเาคนอนื่นนะแต่ยังเป็นรองนะเพราะใจเราฝากไว้กับตัวเองมากกว่าเขาที่จริงเนี่ยเราเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นเรารักคนไหนเลยก็ข้ากัตรนั้นเรารักตัวเองมากที่สุดเราก็จะท่าข้างตัวเองมากที่สุดอคติอะไรที่คนอื่นว่าอะไรว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเขาเรามักจะบอกว่าดี เออรู้สึกว่าช่วงนี้นี่ยคุณแทบจะเอ อ, อเครียกไปหน่อยนะหมดหงิดรู้สึกว่าจะเคร่งเคียดนะท่านมีคนว่าเราเราก็บอกผมนี่นะครับเป็นคนทํางานจริงจังมีประสิทธิภาพนะครับคนมีประสิทธิภาพก็เป็นอย่างนี้แหละครับรู้ไว้เขาด้วยอ่าเข้าข้างตัวเองถ้าเกิดเขาบอกเออระยะนี้รู้สึกคุณจะพูดมากไปนะอ่าคนฉลา่ยก็ต้องพูดอย่างผมแหละครับคนโง่ก็ทึมๆนี่นครับ เนี่ยดีแกเรารู้สึกว่าตอนนี้คุณชักจะอ้วนเดินงไปแล้วนะเอผมนี่ทรงสแตนดาดนะครับมาตรฐานคนในกุุงแห้งนะครับว่าเขาสิอะไรที่เป็นเราเนี่เหมาะที่สุดหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะ เ, เป็นวิยากรอนนะเนี่ยมันจะเจอปัญหาเลายหลายๆคนันมาอบรมพระบังเป็นนักเทศอเลยส่วนมากจะบอกว่าไปพูดกับคนระดับหนึ่งก็ได้ แต่ไปพูดให้อีกระดับึลยไม่พูดไม่ได้ถามทำไมความรู้สูงไปหายทอดแล้วเขารับไปได้ไปอย่างนั้นก็บอกบางทีพูดไปประม า, าบอกก็มีแต่เจอแต่พวกบัวไต่ดำจะถอนอยังไงไปว่าคนฟังที่ไม่สนใจหรือเด็กที่ไม่สนใจบอกโอ้เหมือนกระสีสอให้ควายฟังนะไปโทษโทษคนฟังนะบอกว่าเหมือนกับสีสอให้ควายฟัง ใครที่พูดอย่างนี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนวิทยากรไปอบรมชาวบ้านแล้วก็บอกไม่กสิซอให้ควายฟังแสดงว่าคนนั้นเนี่ยคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยสีสอไม่เป็นคนที่สีซอเป็นนี่ยควายต้องฟังได้อคนที่สีจะต้องปรับให้ควายฟังได้มีนักสีสอคนหนึ่งแกนั่งสีซอซ้อมนะเป็นศิลปินแห่งชาตินะสีซอเก่งมากแกไปซ้อมสีสออยู่ริมคณาไม่มีใครฟัง มีแตควายเลี้ยหญ้าอยู่เฮ้ยเขาว่าสีสอและควายไม่ฝั่งจริงหรือเปล่าแกก็ลองลองเอ้ยลองให้ควายมันทังหน่อยสิแกก็ลองสีสีเป็นลองลองลองขมินใส่โยกมันกินหญ้าช่วยขมินไล่วควายม่นก็ไม่ยอมไปขยบขยกเขามาสิมันก็ช่วยไม่ยอมมาโถอเอ้ยโถ่อเอ้ยมันก็ไม่เลียวเลย อมันจะยังไงเนานะเสียชื่อตัวละมั่งนี่ควายไม่ยอมฟังเอาใหม่แก้แล้เปลี่ยนใหม่ปรับระดับสีเป็นเสียงเอยุงร้องงิ ง, ง, ง, ง, ง, งนิ่งนิงนิเนี่ยควายมันกระด็กหูหน่อยหนึ่งนะไล่ ย, ยุงไล่ ย, ยุงชักรับขึ้นได้ไอยุงมาจากหไหไนะล่แล้วเออปรับระดับเข้ากับเสียงเข้ากับหูควายได้นะไล่ ย, ยุงอ่า สีใหมสีเป็นเสียงสุนัข ก, กัดกันงงเงงงแรงงงงเง ง, ง, เงมันบ่นงงเลยนะหมาที่ไหนมันกัดกันแถวนี้นะปวดลูกหลงกันปวดโดนหมากัดเออได้การนะปรับระดับได้ตอนหลังสีเป็นเสียงลูกแง่ร้องลูกควายร้องนะมันหยุดกินญ้าเลยเลยมันมายืนดูบน่นใครเอาลูปมาซ่อนไวแถวนี้ไม่กินญ้ากเลยหาลูกเหมด เห็นไหมสีให้เป็นสีให้เป็นแล้วฟายฝังเพราะฉะนั้นโบราณเขาจะบอกว่าถ้าพูดไปเขาไม่รู้อยากปลุกเขาว่าโง่เง่างางเงอะเซอะหนา้าตัวของเราทําไมไม่โกรธผาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจถ้าเกิดเราพูดแล้วเด็กฟังไม่รู้เรื่องสังหารแล้วก็ไม่ต้องเรามามองตัวเองสำรวจตัวเองมากเพราะฉะนั้น พุนศนชิตรสอนว่าอัตนาโจทย์ตานั้นจงเตือนตนด้วยตนเองเราสำรวจตนว่าตอนนี้เราพัฒนาแค่ไหนเราได้ตรงไหนเรามไม่เก่งเรื่องอะไรเราฟุ้ปั๊บเนี่ยเราต้องไปฝึกพัฒนาต น, น้คนจึงจะเจริญก้าวหน้าตนของตนเตือนตนให้ผลผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน อย่าแชร์เชิญเตือนตนให้ผลภัยเพราะฉะนั้นคําสอนศาสนานั้นเริ่มจากตัวเราเองเตือนตัวเราเราให้ใครมาเตือนมันทีคำารู้จักเราเท่ากับเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเตือนตัวเองอตอนนี้ฉันเป็นยังไงพระเจ้าเราต้องเตือนตัวเองไหนะอย่าพวกท่านมาปฏิบัติลําบากอะไรเหนื่อยเลยนะยังไม่เท่าพระเจ้าพระเจ้าท่านลองนึกสิเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าชายเนี่ยจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วโอพระบูต อยู่ในภาษาสามฤดูฤดูร้อนก็อยู่ที่มันเย็นสบายฤดูหนาวก็อุ่นฤดูฝนก็ท่านจะมีความสุขอาหารการกินประเสริฐอยู่ๆท่านมีบวตอ ying, อกพระว fallen, 好好บวตตัดผมรงกนผมทรงหนวดโรงผมกรงหนวดอะไรต่างแล้วอาหารเอาที่ไหนฉันอาหารนฉันที่ไหน มีใครทําถวายมาไม่มีแล้วนอนนอนที่ไหนจะหาหมูงกลางยังไม่มีเลยอย่างเล่านี่สบายกว่าท่านมากถ้านมานอนกาลางดินกินกลางท่ายอยู่กลางป่ารุ่งเช้าขึา้นมาก็ไปบินธบาทไปบินธบาทวันแรกนะโอยปดแขนที่เขาใส่อาหารอะไรเนะี่ยมั่วหมดเขาสมกันนะคอยเคยเหมือนกับของตำรวดเนี่ยข้าวก็ใส่ไมนิบาด ทัวต้มก็ใส่ใบริบาลขนมก็ใส่ใบริบาลฉันไม่ได้คนคนุนิเดียที่ชอบใส่บาทรนะเขาจะใส่พระใส่ศาสนาเราเลยนะพวกศาสนาพราหมณ์นี่นะเขาก็ใส่ใส่มีหลวงพ่อจารย์นะจังหวัดองหนึ่งท่านไปอยู่พราราณสีท่านไปนอนค้างเ อ, อบาบาทไปด้วยลุ่มขึ้นท่านไปบินทบาตกัะแข่แขกไมะเคยเข้าบินทบาทบ้านนี้เขาก็ใส่ข้าวบ้านนั้นใส่ วต้อะไรต่างไปเจอบ้านนึงเนะเอาข้าวสารข้าสารกับปลาแห้งมาใส่เอาข้าวสารเป็นถุงๆเนี่ยนะใส่บาตรหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ปลาแห้งมาใส่พอหลวงพ่อเดินค่อยไปเดเเรียกนะเรียกเปนภาษาทยจดกัน ด, ดนวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเนีนึกว่าจะไปเอาอะไรไปเอาฟืนมามัดเนี่เอามาใส่บาตรซะอีก คงนึกได้ว่าได้แต่เข้าวสารแต่พระจะเอาฟืนที่ไหนงเข้าวแล้วก็เอาฟืนเลขอบประหลุมาลังกลับมาเพื่อนุงหรือองค์พ่อไม่ไเป็นอะไรมาได้แขกแต่งครบเครื่องเลยพระเจ้าเนี่ยเป็นกาแมีในอินเดียนและปีนพมาที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะยังไงมีนักบวชมาในเขาใส่บาตรพอใส่บาตรผสมกันนะจะมาไปอยู่อินเดียใหมเนี่ยโอ้ใช้ฉันไม่ได้อาหารแขก มันเป็นบางทีเนี่ยช่วงหนึ่งเดินทางไปภาคใต้ไปพะ ต, ตพาคารไปฉัน้นหาที่ฉันไม่ได้เอาไปร้านที่สะอาดๆหน่อยปรากฏนนั้นไม่มีจานให้หรอกไปภาคใต้จะไปจะไปลังกาแต่มาจะไปลังกาไปแถวมาราศภาคใต้เขาเอาในพะตคารอย่างนีเนะ่ยพอถึงเวลาเสิรเอาไปตองมาวางเอ๊ามาทําอะไร เราก็มองหาช้อนหาจารย์ไม่สี่เลยแล้วก็ดูครับอ่าต๊ะ ข, ข้างๆมันทอะไรโอ้หู้เขามีน้ํามาให้หวานใส่แก้วมาไอ้โต๊ะข้างๆมันก็เอาน้ํามากปมไปตองเอาล้างนวลออกให้หมดเราก็เอามังไงไ่นไหมใบตองมันจะห่ออะไรนะเราก็ลองลองล้างดูพอล้างปั๊บเดี๋ยวเขาก็มาเนี่ยคอนเสิร์ตคนเสิร์ตในเที่ยงไม่แต่ผู้ชายผู้หญิงไม่มีทุกร้าน ทั่วประเทศเขาก็ถือเอาข้าวมันไม่ก็ะตักบาทข้านเทเอาเอาวางใส่ลูไม้ตองเอาข้าววางไว้มุมหนึ่งนี่ยแต่แล้วเขาก็เอาผักต้มบางอะไรบ้างนะแกงบางอะไรบ้างตักมาวางวางๆถึงข้าวไอ้มันเป็นซุปถึงซุปถั่วต้มใส่ไปตองก็ไหลเทเลยยังไงก็ดูก่อดูว่ามันทํำยังไงต้มข้าว โอ้ไอซุปที่มันไหลออกหน้าใบตองนี่คนมึงเขาฉลาดนะเขาเอาข้าวเนี่ยมันล้อมล้อมล้อมลอมเหถ้าทเป็นคล้ายๆคันนาเนี่ยล้อมตัวต้มไม่ให้มันไหลออกแล้วกินยังไงินช้อนก็ไม่มีมือพยามพยามกินมเราก็ดูพยายามดูว่ากินัไงนี่จะพาะั้ใต้ขั้นเไม่เป็นใตกินเเคุ่นบางนี่มากพอกินแล้วมันก็ยกตันอย่างงี้ใช่ไหม ตัวต้มที่เหลืองนี่นมันอุจจาระเด็กมันก็หกมาตรงนี้มีไหลายวันี้มีเอ๊ะ้าเช็กก็มีแล้วก็ทำยังไงเขาเรียนแต่รืงนี้เลยออ้ยโอ้ยเราทำได้ยิ้วแต่ก็ต้องเห็นล hmm. ูกกินนมเนี่ยแต่ว um ่าอะ็นหิวตาลายหามาหลายล้านร้านนี้ว okay. ันนี้ที่ส uh ุดโอ้เห็นเขากินได้แค่เนี่ย ถามเขาว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคําตอบก็คือว่าคนอินเดียเนี่ยเคร่งระบบวันละชนชั้นผสมกันไม่ได้กษัตริย์พรามณแพทย์สูตรเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เคร่งมา ก, กแา่น า, วา้วามกระสัดอย่าไปใช้ภาชนะดื่มน้ํามาแก้วน้ําร่วมกับพวกวันละสูตรไม่ได้นะเสียลาสีหมดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีแก้วน้ําไม่กินร่วมกัน ถ้ามีแก้วน้ําเขาจะไปที่รถตารถไฟเนี่ยเขาจะมีแก้วกาแฟเนี่ยนะจะเป็นถ้วยดินมเดินเผากินแล้วทุบทิ้งเลยไม่ให้คนค น, นอื่นมาแตะก๊ อ, อกน้ําตามสถานีนรถไฟเนี่ยพระพระบุตทีไปเนี่ยไม่มีแก้วทําไงไปยืะดูเขาเวลาลงจากรถไฟเขาก็ เ, กเปิดก๊ อ, อกเปิดก๊ อ, อกน้ําเอาแล้วแก้วอยู่ไหนไม่ต้องแก้วเขาเปิดก๊ อ, อกน้ํามาไหลามาก็เอามือลองแล้วก็ดูเดี๋ยวนี้ ต้องมีศิละปะนะั้นมีเทคนิคนะคนไทยไปยไม่รู้นะเรื่องของเอาไม่มีมารยาทในการดื่มหมี่ฟกเผื่อเหมดพวกนีนมนนม้มาจากบ้านนอกรู้ <c oughs> ตอตอนแค่ก็กินหนูน้ำพอดีน้ำนะไม่มากไม่น้อยนะไหลเรื่องก็พอดีกินเนะี่ยเราต้องมีเราเรียกว่าต้องฝึกวิธีกินนา้านะี่คนไทยจะไปพระ <c oughs> มีพระอมหนึ่งบวชแต่อมตา้มตากินน้านะเอาอย่าหมแฝงไว้เพรากสปอร์ก็อยู่ในนั้น ปัจจัยเขาอยู่นะั่นกินน้ำยังไงบังเลยก็มาย่ามหายไปเลยพอๆก็ถานทูกข์เขาเอากระตปอร์ไปหมดวนะไรกินน้ำแบบแพ็มันก็กิกกนไม่ได้จะเอาปากรอกไม่ได้ก้มก็ไม่ได้มัวแต่บางงงบางแล่าขโมยเอายามนีไปเลยไอ้กินน้ำเลยเป็นเหตุนี่พูดพูดถึงความลาบากลำบนนัขนาดสมัยนีอย้อย่างนี้สมัยพระเจ้าอย่างขนาดไหนพระเจ้านี่ยไปบิณฑบาะ โหยิ่งลำบากมากฉันมือแรกเยเนี่ยเติมเติมข้าวเข้าปากโมงพี่เจ้ามมงนี่มันเพิ่มเพื่อนในกัมพีเนี่ยเพรเติมข้าปากอะไรเกลิ่เข้าไปอาจจียนท่านเขียนไว้บอกว่าเหมือนกับลําไส้นี่มันจะออกมาทั้งปากอะอาเจียนนี่มันเหมือนอะไรเราขึ้นเมันจะออกใส้ใหญ่ไส้น้อยทีคนนี้มันจะออกมาหมดในอ้วกอะ พระเจ้ตือนตัวเองเลยสอนตัวเองบอกว่านี่ที่มาบวชนี่ใครใช้มาใครจ้างแล้วอยากบวชเองไม่ใช่หรือไปเห็นนักบวชตอนที่ประภาสเทยานเห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายเห็นส ม, มณะาลุกในใจโอ้ฉันเราบวชได้นี่คงจะมีความสุขเปน็นล้นพ้นมีอิสระเสรีไม่ต้องมงทําทบาปทำกรรมไไม่จำ บ, บน่นอิสังขาคนนี้ปู้หายคนนั้นอ่านี่มาบวชแล้วกินข้าวไม่ได้ ใครใครใครใครเป็นคนบอกให้คุณมาเราเป็นคนมาเองใช่ไหมเราตัดสินใจมาเมื่อมาเองแล้วทําไมฉันไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้ก็ต้องกลับกลับไหมไม่กลับถ้าไม่กลับต้องมุกต่อท่านก็อธิษฐานเลยเราจะไม่กลับจนกว่าจะสําเร็จโพธิญาตต้องฉันให้ได้ฉันเลยเพราะฉันนี่หนึ่งคำนะมันหิวด้วยอะไรด้วยมันก็ฉันได้ดยแล้วแต่ น, นั้นพระเจ้าในาก็บิทบาท เรียยงชีพเหมือนกับคนทั่วไปอยู่แล้วแต่ที่พระเจ้าทำได้เพราะท่านรู้จักเตือนตนเองสอนตนเองคนที่จะเตือนตนเองได้นั้นตันงธัรัต้องรู้จักตัวเองและต้องมองด้านในวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งฝรังเขาแปลเป็นสังเกตว่าอินไซ์ inside, แปลว่ามองด้านใน คนที่ทำวิปัสนาคือคนที่มองด้านในดูกายดูเวทนาความรู้สึกของเราดูจิตแล้วก็ดูธรรมะเราดีเราชั่วยอย่างไรในจิตแล้วเราจะรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ที่ท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นโอกาสที่ท่านจะมองตอนรู้จักตัวเองเรามีนิสัยโกรธมากใช่ไหมใจร้อนใช่ไหมถ้า อ, อ, อย่างนั้นที่ผ่านมาไม่เคยได้สำรวจเลยแล้วเป็นคนอย่างไง ต่อไปนี้เราจะต้องลดความโกรธลงใจร้อนเองลดลงความโลภเนี่ยมันลดลงบ้างอะไรบ้างมองด้านไหนสมาธิเราดีไหมเวลาเรานั่งนัเนี่ยโอ้ไม่เคยนึกเลยว่าเรานี่จะพุ้งไส้ขนาดนี้สมมติพอมารู้แล้วอ๋อนี่เองมันถึงทํางานไม่ค่อยได้ดีเพราะไม่มีสมาธิต่อไปนี้เราจะพัฒนาจะฝึกสมาธิหัดมองตนโลภมีสองโลกโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายนอก อนอกตัวเราโรคภายในอยู่ในตัวเราโรกภายนอกกว้างไกลใครใครรู้โรกภายในลี้ลับอยู่รู้บ้างไหมจะมองโรกภายนอกมองออกไปจะมองโรกภายในให้มองตอนเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ที่ทามาอยู่ที่นี่คือมาสารวจตอนมองตอนเพื่อพัฒนาตน เอาละมาเพื่อพัฒนาตนเพื่อมองตอนเนี่ยต้องมีพื้นฐานถ้าพื้นฐานไม่ดีเนี่ยไม่ว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จพื้นฐานสี่ประการที่ว่าหนึ่งสัจจะแปล ว, ว่าจริงจังจริงใจสองธรรมะฝึกตนอันนี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ในหลวงประทานให้แต่เอามาจากคาววสธรรมสี่ ในหลวงประทานให้คนไทยทั่วประเทศที่จริงก็คือคาววะธรรมสี่ประการหนึ่งสัจจ์จรจังจริงใจสองธรรมะสุดตนสาม 3. ขันติอดทนสี่จากะเสียสลับจรจังจริงใจข้อหนึ่งุดตนข้อหนึ่งอดทนข้อหนึ่งแล้วก็เสียสลัอีกข้อหนึ่ง ทำทั้งหลายทั้งสี่ข้อนี้เรียกว่าเป็นพื้นฐานไม่ต้องอะไรมากหรอกเช่นคนที่จะเป็นคนที่เรียกว่าเก่งหรือไม่เก่งหรือว่าเป็นที่ไว้วางใจได้หรือไม่ได้ต้องเป็นคนที่มีความจรงิงสมมุติถ้าเขาถามถามท่านบอกว่านีตเป็นข้าราชการนี่ทํางานกับเรานี่จะตั้งใจทํางานจริงจังหรือเปล่าแล้วบอกไม่จริงหรอกครับผมกาจะมาลองงานทํำเล่นๆดูนะครับอ่เขารับคุณไม่นีไปขอสาวจะไปขอแต่งงานได้ นักจริงหรือเปล่าลักเล่นๆ là, ยๆลักเก่าอยาจะแต่งทักษหม่อยากจะเลิกแล้วรับใครก็อยากแต่งนะคุณเหมือนกับพี่ดิฉันเวลาที่เราจะปลูบ้านเราต้องเก่าให้มันราบเรียบเก่าให้มันรากก่อนปรับพื้นให้มันดีก่อ น, อ น, อนคนที่จะไปเรียนหนังสือที่จะไปทํางานที่จะไปปฏิบัติธรรมนั้นต้องปรับใจไว้ก่อนมันมีพื้นฐานที่ดีคือปรับใจสมมติว่าเอ้าหนึ่งเราจะต้องทําจริงแลนะ เตรียมใจปลูข้าวก็ต้องเตรียมดิมจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะปฏิบัติธรรมก็ต้องเตรียมใจว่าเรานี่เอาจริงเมื่อเอาจริงแล้วเนี่ยยางมันจะประสบความสำเร็จอย่างพระพุทธเจ้าเลยคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมนี่ต้องจริงจังอย่าว่าแต่เรื่องของ ปฏิบัติทำแม้ในเรื่องนานที่ทําคนที่ทํางานอะไรก็แบบเอี้ต้องมีคนที่จริงจังทําจริงมุ่งมันจัดไม่ปล่อยแล้วก็จริงวาจาด้วยนะจริงจังนี่ก็คือพูดจริงและก็ทําจริงพูดจริงคือจริงวาจาและก็ทําจริงต่างนั้นคนพังมาคนอยู่แล้วเนี่ยเมือม่อเร็วๆนี้ะนระดับนายกเสียสัตด์เพื่อชาติ ออพอเสียสัตย์เธอชาติพูดในจริงทําไม่จริงคนไม่ศรัทธาเลยเห็นไหมไปเดินขบวนไล่ความจริงถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องอย่างนี้นะคือคนไม่เห็นว่ามีคุณธรรมเสียเรื่องอย่างนี้คนไทยนี่ก็แปลกถือนะเรื่องสัจจ์รเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นพอพอไม่จริงจังพอพอไปหลอกเขาก็อะไรครับเออเรื่องนี้คุณยังหลอกกันเรื่องอื่นอ่ะแล้วเรื่องอื่นคุณไม่หลอกเลยขนาดแค่นี้ยังจำได้เพราะฉะนั้น คนที่จะให้คนเชื่อถือนี่ต้องพูดจริงทําจริงพรทธิจารย์เลยว่ายะถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรทําอย่างนั้นพูดว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นก็ต้องไม่เป็นพูดว่าข้าพเจ้าจะเป็นก็ต้องเป็นบอกนี่ไม่เป็นแล้วก็มาเป็นพูดอยางทําอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนจะเป็นผลทาให้คนเห็นมาออกเชื่อไม่ได้พอเชื่อไม่ได้ก็ไม่ศรัทธาทีนี้เรามาดูว่าคนก็ทั่วไปก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะระดับไหก็ตามมันจะต้องมีระดัะที่พูดทำจริงจังรับ่างอะไรแล้วก็ทำไม่ใช่ผูเเ้เป็นคนที่เหมือนกับไม่มีความตั้งใจจริงนะคนที่มีความตั้งใจจริงนี่เมื่อว่ารับนี้สัจจะว่าจะทำะไรนี่แม้งานนั้นมันจะยากก็ต้องทำถ้าทำอย่างไม่จริงจังก็จกไม่ได้ผลนะ ท่านบอกว่าคนที่จะทำดีให้ได้ดีนั้นต้องทำดีให้ถึงดีทำดีให้ถึงดีก็หมายความว่าสมมติเราเราจะมาปฏิบัติธรรมให้มันได้ดีให้มันได้เห็นผลมันต้องทำให้ถึงจุดที่มันจะเห็นผลแล้วเอาจริงสมมติว่าเวลาที่ท่านขุนข้าวนั้นเสียบหม้อไฟฟ้าไว้เสียบหม้อไฟฟ้าแล้วคนตั้งไว้สองนาทีเดินตักออกออกินได้ยัง ไม่ถูกอ่าทําไมกันเวลาเขาให้สิบนาทีแต่คุณไปทําหุงข้าวสองนาทีแล้วมันจะสูกที่ไถ้ามันจะถูกแต่เมื่อต้องครบสิบนาทีคุณจะปฏิบัติให้เห็นผลอย่างน้อยตั้งตีวันสามวันที่มันจะพื้นพัดทื้นพวันที่สี่ชักสบายวันที่ห้าอ้ดีวันที่เจ็ดชักไม่อยากกลับแต่บางคนมาได้สองวันโอ้ยอย่าไปเลยมันมันก็ทรมานตัวเองเห็นไหมแต่ละตัวนี่มันจะมีจุดของมันอยู่ แต่ละเรื่องแต่ละตอนเนี่ยท่านจะเห็นผลต่อเมื่อท่านทําไปถึงจุดคนบางคนทํางานทำราช ก, การอะไรอย่างนี้เนี่ยแม่อุตส่าห์ตั้งใจทํางานแต่พ้าโดนด่าบ้างโดนว่าบางหมดกาลังใจท้อถอยแล้วไม่อยากจะทำละอุตส่าห์เป็นคนดีมากตื่นตมาโดนคนว่าัาหมดกําลังใจไม่ทําในจุดไอความดีที่ทํามามันก็ไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทําดีต้องให้ถึงดี คือถึงจุดที่ความดีจะให้ผลต้องเป็นคนทำจริงจัํทำดีให้ถึงดีอย่างสมงว่บางคนเนี่ยเวลาทำงานอะไรก็ตามได้ทำจริงมีกษัตริย์ในประวัติศาสตร์อังกฤษเขาเล่าบอกกษัตริย์อาเธอร์กษัตริย์อาเธอร์ของเังกฤษโดนโค่นบลาลังพอโดนโค่นบลาลังแล้วยกทัพกับไปชิงบลาลังอีกครั้งที่หนึ่งแพ้ ทัานที่สองแพ่พู้เมืงองคืนไม่ได้ตีคืน6กครั้งหกผลแพ้ทั้งหกผลหนีไปซ่อนงไปอยู่ในถ้ำนอนไม่เอาแล้วแพ้ตั้งหกผลไม่สู้แล้วนอนจะหลับไม่หลับแลได้ยินเสียงอะไรตบปุ๊บมาข้างๆลืมตาดูนะเป็นมุมหนึ่งตัวใหญ่เลยไม่รู้มันจะกัดกันรหรือเปล่า บอลมันทําอะไรแล้วบอกวมันไต่ขนังขึ้นไปชักใหญ่อยู่บนขนังให้ดนันพอชักใหยสะพัดใยมันขาดมันก็ตกปุ๊บลงมาแล้วไปขึ้นใหม่แหละเมนมึงมันขึ้นไปหกผ ล, ผลตกลงมีผลที่ผลที่หกมันขึ้นไอีกผลที่เจ็ดชักใหญ่ผลที่เจ็ดสำเร็จอาร์เธอร์บอกว่า เ, เหมือนเปล่าเลย แค้มาหกคนคนที่เจ็ดสงสัยจะเหมือนเหมือนมุมนะคงจะตีทั้งหมดนี้ไปปลุกและดมโคกทหารใหม่อ๋ออ๋ออ๋อไปตีกันเลยแบนี้ไปตัปตงลล้งรอรังเนะี่พวกในเมืองเพิ่งจะฉลองไทยชนะเอาไม่โฟมเลยแล้ตั้งโต้ประธานเลยเ ม, มืองแตกชนะเลยไม่มุมมันสอเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันทําดีตั้งทานไปปีนี้นนงนนะคงจะได้สองครั้งเนี่ยไดงไหมการนั้นปีหน้าปีหน้า สองปีก็ยังไม่ได้งั้นปีที่สามน่าจะได้สามปีก็ยังไม่ได้มันจะเหมือนนันบงแล้วหกปีก็ยังไม่ได้นะแต่ทีละทัาน้องขัานไม่เคยแน่หนึ่งหกปีเจ็ดปีน่าจะได้ทําไม่ได้ลาออกมันใจมันมันฟื้นไม่ได้ะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นี่ทําให้มันถึงจุดที่ความดีจะให้ผล ความดีที่จะให้ผลนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ทําจริงมุ่งมั่นบางคนที่ทาทาอะไรไปแล้วเลิกการขัน ก, ก็ไม่ได้ผลฉะนั้นหลายกรณีน ะ, ะ ท, ที่ท่านทาอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้ากว่าจะบรรลุนี่นะปฏิบัติธรรมออกบวชกี่ปีหกปี ออกบวชอยู่หกปีกว่าจะบรรลุแล้วทำไงขนาดตกข้าวพระเจ้าเข้าวเขาไม่ฉันนะหอมจนเคยเห็นพระฟองตังพรมานกายเหนือแต่หลังพุ่มก็ดูเอามือลูกท้องเนี่ยถึงข้างหลังเลยเอามือลูกที่แขนมีขนหลุดเลยนีหลุดเพราะยังได้เป็นไงตาบว่า ลุกเสด็จเชียร์กันใหญ่เลยลุกเสด็จเชียร์กันขอท่านอาจารย์มโนให 4ข้อสัจจะจริงจังจริงใจธรรมะฝึกตนฝึกผลตนเองขันติบทผลและกระจายพรรัฒนาพ้ดถึงสัจจะนี่พระเจ้านี่กว่าจะสำเร็จนะกว่าจะได้ตัสรู้นะกว่าจะตัสรู้นี่น ม, มีประมวลมรรคฐาตัสรู้ยังไงกว่าจะตัสรู้เป็นพทะจา้าไ พระบอกว่าปศข้าวเป็นของเหนือแต่หนังหุ้มกระดูกมีลูกศิษย์ห้าองค์ตนนิบัติอยู่ที่มาฟังเศทศครั้งแรกห้าองค์เนี่ยปัญจวัคคีเนี่ยพระบอกว่าในขาณะาที่ท่านปศข้าวเนี่ยของสลบเลยพระเจ้าสลบพอสลบไปฟื้นขึ้นมา โอ้เว้ยเจ้ขืนอดข้าวต่อไปตายในี่ยเนี่ยไม่ใช่ถามบรรลุต้องฉันข้าวต้องมาเป็นเกียร์ทางใจเพราะฉะนั้นหลานมาฉันข้าวพอเริ่มฉันข้าวนะลูกศิษย์ห้าองค์ตอนนั้นมาปริบัติอยู่บอกอาจารย์เราถ้าจะไม่ด้เลือกแล้วอดข้าวนี่แหละที่จะทาเป็นทานตัสรู้เป็นพระเจ้าถ้ามากินข้าวนี้แสดงว่าล้มเหลวเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะมาเป็นถบาทเลี้ยงคนที่เกียร์หันมากินข้าวเสจะได้ พวกเบื้อทัิาน้องค์ในปัญญาวัคคีนะยกทัพขบวนหนีไปเลยทิ้งพระเจ้าอยู่คนเดียวไปอยู่ป่ายสิปัตนาเมือักรไทยอยวันทิ้งพระเจ้าไว้พระเจ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็เลยเกิดพระปีกฟา น, นี้ตามอะไรใหญ่พระเจ้าอยู่คนเดียวเลยอยู่ได้เป็นโผล่ฟา น, นี้เนี่ยท่านผู้ใเข้าไปาการาบพระูดใปโบสถ์นะใจะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นพระปาง น, นี้ ปางคือลิขิญาบดอย่างเช่นนี่เทียปังอะไรพุทธมณลนี่ปังอะไรอประถานปางมีคาะเออยืนยืนเอา เ, อาเอาท้าไหนยกเท้าไหนขึ้นขวานหรือท้ายแลยกมือไหนขึ้นมือขวาหรือมท้ายก็เคยตั้งเมื่อกี้ท่านเมื่อยแล้วท่านเปลี่ยนทาง ทำให้จำให้ดีเพราะฉะนั้นโยมไม่สังเกตให้ดีเนวยตึเมื่อยขึ้นมาเนเปลี่ยนพราโยมไม่ได้สังเกตเนี่ยจำได้เอามือไหนวาาไว้บนตักเอามือไหนวางไว้บนทุกเขาต้องจำเนี่กตบังอะไรในโบสถ์เนี่อยู่ทุกโบสถ์เราไปกราบบางทีไม่เคยดูพระเลยพระแก้วมรกตเี่นั่นน่งยังไงพระแก้วมรกตลุกพระแก้วเวลาเอาไข่เค็มไปถวายนี่ท่านนั้นนไหนครับท่านจะมือวางไว้ตไหน แ, แล้แก้มาเรากดนั่นแหละสิกราภะก็ดูท่านฟังอะไรเพราะจะได้ขอพรจากท่านฟังนี้นี่สําคัญมากคนที่หมดกำลังใจคนที่ท้อถอยนะี้ท่านมักจะส่านพระฟังนี้ให้พระฟัาางนี้มีที่มาอย่างไรก็วันที่ท่านอยู่คนเดียวในป่างพวกปัญญาวครานี้หมดวันที่ท่านจะตัดสู่ขึ้นสึบหท่านเดือนหก ตากรูในคืนขึ้น15ห้าคำเดือนหกปีที่ปีหกปีนีนท่านได้ยาคามมาแปดกำตอนตไปมีทางถมา ย, ยาคามาแปดกำอบมามาถึงตอนโหล่ริมฝั่งแม่น้ำเนรั ย, ยชราแม่น้าในรัชราเดี๋ยวนี้เล็กเนี่นเขาก็รู้วา่าเล็กไม้พอนนี่อุ้ยกว้างใหญ่เดี๋ยวนี้ไปเห็นแต่หาทรายไอ้ตรงกลางท่านนั้นมีแม่น้ำอยู่สองสอกปรากฏว่าอ้าวท่าน พระพุทธเจา้านอยู่อคเดียวขอบแยกทางามานั่งอยู่ใต้ต้นใต้ต้นโพกูเลยเนี่ยกูแล้วท่านทำสัจจะสัจจะข้อนี้สัจจะอธิฐานสัจจะธิฐานท่านบอกว่าอย่างนี้บอกกับตัวหนิว่อาอย่างนี้เอาแล้วนะเราจะนั่งแล้วนะขอนั่งเป็นครั้งสุดท้าย เนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามจนเหลือแต่หนังพุ่มกระดูกเหลือแต่กระดูกเท่านั้นก็ตามทีเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมปธิญาะเป็นพระพุทธเจ้าตราบใดจักไม่ยอมลุกขึ้นจากบัลลังก์ที่นั่งนี้ตราบนั้นอธิษฐานเลยเอาจริงเลยแล้วนั่งปั๊บลงไปพอนั่งลงไปเนี่ยบัลลังก์นั้นเนี่ยนะกลายเป็นบัลลังก์ที่ใครก็สังสะเทือนไม่ได้ ท่านเรียกว่าอปราชิตาบาลังอัปปาาชิตาบาลังคนนั่งด้วยนั่งด้วยการคีดสานใจว่าต้องทําให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ให้ได้นั่งเลยพอนั่งปั๊บมานมาแล้วที่นี้มานตัวพระเจ้าจะสำเร็จ เป็นพระพุทธเจ้ามาอนนี้คือใครคนเรพวกกับพวกพักเทพพักมารนะมาอันนี้เออมาอันนี้มาเป็นเทวดาชั้นสูงสุดเป็นเทวดานะคือเป็นเทพนั่นเองในฐานะเทพนั่นแหละเป็นมารเรามาแยกกันเทพเป็นมารที่จริงหัวนหน้าเทพก็คือหัวนหน้ามาร วน่าเทพชั้นสูงสุดชื่อพยาปาริณิมิตาวสาวดีปาริณิมิตาวสาวดีเนี่ยที่เราเห็นท่าพาหุงเนะีบทภาหุงที่ขี่ช้างมาเนะี่ยขี่ช้างมาปรากว่านั่นแหละวุฒหน้ามาันเป็นเทพนะพักเทพก็คือพักมันในทุษณามนามานเลยเทพนี่ทเทวดามันมี6กชั้นนะี ชั้นชั้นแรกเรียกว่าชั้นจาตุงจำชื่อให้ดีนะเวลาเร้จไปขอเข้าประตูเรียกชื่อยังไม่ถูกผมนั้นไปทรบกันแล้วกันยังไม่รู้ว่าสวรรนชั้นไหนไม่ดีจมาะมันราดเลยเลยรอดเลยเลยดต่ต้องเว่นนี่ว่าไม่เข้าสวรรค์ชั้นนี้เขาก็ชี้ไปนู่นเนี่ยอลโลรคมีโอ้มีสวรรค์โลแบบคมีด้วยนั่นไปเลยที่ไหนเน่ยนะลสวรรค์6ชั้นเลฮะชั้นต้นชั้นจาตุงมหาธาตุชั้นที่ห ัแต่ไม่ไ ด, ด้หมายว่าเทวดาแถวนี้ไม่มีนะเขาเรียกว่าภูมเิเทวดาเทวดาที้อยู่ตามสารตามต้นไม้ตามลกเทวดาทัไ้ไหมอันนี้เป็นภูมิเทวดายังไม่ถึงเป็นสวรรค์สวรรค์ น, นี่จารุมหาราชแล้วก็ชั้นต่อไปก็จะเป็นอชั้นยามาและชั้นดาวดึงที่พระอินทร์อยู่อ๋อพระอินทร์อยู่ชั้นดาวดึงจารุมดาวดึง ชั้นยามาชั้นดุสิตพระพุทธมารดานี่อยู่ชั้นดุสิตตอนนี้ชั้นที่สี่ชั้นที่ห้านิมมานรดีนิมมานรดีนี่ชั้นที่หกคือปัจเรนิมิตาวสวาดีชั้นสูงสุดสวรรค์หกชั้นบางคนบอกมีสวรรค์ชั้นเจ็ดเอามาจากไหนหกพอแล้ว พระมงกุมันทำมันมีเยอะต่อพราจำรีตกอีกต่อเจ็ดชั้นนะหกนะั้นชั้นที่ห้านะันิ ม, มานารดีนิ ม, มานารดีชื่อดีนะแปลว่าผู้ยินดีเทวดาที่ยินดีในของที่นิรมิตขึ้น เทวดาพวกฉันดีมาน้ดีเนี่ยเป็นเทวดาที่นึกอะไรอยากจะกิน อ, อยากจ ะ, สะเสวยอะไรนี่มันเป็นของคิดหมดปรากฏป๊อปเลยไก่ย่างนึกถึงไก่ย่างห้าดาวก็มาป๊อปนะนึกถึงอะไรนะโอ้อะไรได้แล้วเลยเลยมาทันทีเลยไม่ต้องไปเท่าจะจับไก่ไม่อีกไปถอนขนเนื้อพวกเรามีลำบากงีโย่เทวดานี่นึกอยากจะกินอะไรอ่าสมมุติอนึกอยากจะได้อะ เอาเบ้นสักคันหนึ่งไม่ต้องมันมาเองไม่ต้องไปเข้าโรงงานทําดีด้วยไม่ต้องมีคนขับมันไปก็มันเองชนเกลอนาด้วยใจก็ไม่ตายไม่ติดคุกพเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่ประเภทเมโลมิกขึ้นปั๊บมาเลยแค่ใจตัวเองอยากจะได้อะไรอยากจะได้ภาทิพนึกปั๊บมานี่ชั้นที่ห้านะแต่ชั้นที่หกนี่ของพยะประิมามวิทยาศาสตร์นี่พวกนี้ขี้เกียจ ม, มากชื่อบอกแล้ว ปาหรืนิมิตะวะาวศสวดีแปลว่าเทวดาที่ใช้อํานาจวศสวสดีใช้อํานาจให้เทวดาอื่นนิรมิตให้ตนขณะแค่จำเรื่อนิรมิตอย่งที่เกียวเลยสั้นที่หกชั้นนี้ชั้นจะตุลชั้นอะไรเนะไปช่วยนิรมิตไหมพวกนี้นะพวกชั้นที่หกเป็นพวกเทวดาในทุนโอ้ไม่ช่ชั้นนะ เพราะฉะนั้นพวกมิตรตัง้งมาพวกกรรมกรทั้งหลายมาาเข้าเวรกันเนระมิดโอ้โหเหลือเกินจริงๆเสร็จ แ, แล้วไปยังไงเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเทวดาท่านจัดเต็มกับอำนาจชอบใช้สัง่งเามาเนระมิดมากแลนี่คนนี้ในระมิดลงเท้านี่ในระมิดต่ำลมควมีอํำนาจมากแล้วเป็นไงอยากให้ทุกคนไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ไปรับใช้เขาถ้าคนไหนอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นยังไงทีนี้ ถ้าเป็นเพื่อเจ้าแสดงว่าเหนือกว่าเขาไม่เป็นลูกน้องเทวดาแล้วจะมีอํานาจยิ่งกว่าเทวดาจะเป็นศรัทธาเทวมนุษย์านามเป็นครุงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ยิ่งใหญ่กว่าเขานี่เพราะฉะนั้นมารพวกนี้คนไม่ได้อิจฉามามันจะต้องขี้อิจฉาเสมอพอเห็นใครเอ๋อเป็นตัวโกงในพวกนี้ขอใครจะได้ดิบได้ดีจะทําอะไรสาเร็จมาแล้ว มานแปลว่าผู่ฆ่าฆ่าความดีใครจะทําความดีนี่มันจะมาทําให้ออกนอกโลกนอกทางมากระซิบนะมานมาแล้วมานั่งทำไมเมื่อยแล้วคนเนมื่อยอะไรจะจบตรงนี้มันนั้นมานมากระซิบอย่าไปเชื่อตามไปเรื่อยๆไม่ไม่ไมจะถึงเที่ยงคืนจบเพราะฉะนั้นมานนี่มาแล้วมาเป็นคนมาเป็นเทวดาก็เรียกที่เรียกว่าเทวตฏมานมานมีหอย่างนะ มานอันอันนี้เรียกว่ามานคือเทพบุตรที่มองใจพระเจ้ามา น, นี่อันหนึ่งคือกิเลสเขาเรียกกิเลสมารอย่างเช่นเราที่เขียนง้อเหมอนนี้มานมาเคาะขึ้นมานีจับตั้แต่ขาของมัง้อเงี้ยง้อเงี้ยเดี๋ยวก็อขึ้นมานีเรียกว่ามานพอมานจับตันหมูนอนเลยนฏว่านี่พว ก, กิเลสมารแต่ เทวคุตมานี่เป็นเทวดาพวกนี้เนี่ยเทวดาที่มีอํานาจมากพอรู้พระเจ้ามานั่งจะไม่ยอมลุกไปไหนนีย่ยกทัพมาเลยเจอพระลูปตา น, นี้พมานมาพระเจ้านั่นนั่งขมามีสู้ปา้าโกตมานทำยังไงยกคนพวกเทวดาชันตอนนี้ยิ้มนี่แต่ว่าแต่ว่าดีมาเนี่ยหมดเลยโอ้ยทําเสียงดัง ก, กระทึกนั่นตาไปเลย ใจพระเจ้ากตกใจตัวพระเจ้านั่งนิ่งบรรดาให้ลมพายุหมุนยิ่งกว่าพายุเกยหมุนต้นไม้หักโคน่นแต่ว่าต้นโพไม่เป็นไรเพราะอะไรเพระพระเจ้านึกถึงบา ร, รมีสามสิบทัศที่โภคภพเห็นมาความดีที่ทํามานั้นให้มาเป็นกําแพงปกป้องคุ้มครองภัยทั้งหลายบา ร, รมีสาสิบทัศนี้มาปกป้องคุ้มครองชีวรไม่กระดิกเลย นั่งนิ่งอ้างบารมีเสร็จแล้วมารก็ให้ไฟไหม้มารให้ก้อนอิดล่นใส่ขุนแมวก็เฉยพวกนี้ไม่แต่ต้องรงเลยในสุดมารก็เลยซั์อาวุธเข้าไปมีลูกสอนมีอะไรอ่างที่เราเห็นขีชน่ช้างชั้นขีริเมกบทพาหงนะ่ะพาหงสหสมะพะเพรนิ ม, มิตรสาวกทานต่างพาหุงแปล ว, ว่าแขนสหัจับมารตวนี้มีพันแขน แล้วมีอาวุธครบมือขี่ช้างกิเลเมฆขลาพาหงส์สมหาสมรติชีวิตจะสามารพันาขึ้นในตลันขี่ช้างกิริเมฆสูงเทียงเมฆโอ้ยผมขู่เลยจ้าเพราะฉะนั้นเราดูในตามขนังโบสก์เราจะเข้าใจเลยปางสู้ประมาณแต่ถ้าท่านไปลอนดอนนะไปลอนดอนนี่โบสถที่พุทธปฏิวัตพุทธปฏิบัตที่ลอนดอนนี่เป็นภาพสมัยใหม่ช้างกิริเมฆเนี่ที่พยายามขี่มาเนี่ย ก็เหมือนช้างไทยไหละแต่ว่าพยายามมานี้นอกจากมันมีหลายแขนเนี่ยแขนหนึ่งถือปอกถือดาบอีกแขนหนึ่งถือปืน16 <c oughs> จะว่อพระเจ้าเลยนะในในบทพระเจ้าก็ที่เราว่าอันใหญ่เลยนะโอ้ตลางอ่านแล้วโอ้ยเดี๋เรพึ่งวิชาไม่เก่เงสุดเลยที่ผมละ <c oughs> <c oughs> แค่หอกแค่ดาบนี่พลังแม่อาจารย์พระว่าพรเจ้า โ, โอ้อาวุธกระสุนทำอะไรไม่ได้พยิงมาป้ามาเป็นตอไม้ทั้งหมด ในสุดมารใช้วิธีสุดท้ายบอกว่าอย่างนี้พระพระไปหน่อยไปหนลุกลุกลุกลุกลุาไมละก็ท่านนั่งทับที่บาลังของเราเนาะบาลังนี้เราเป็นคนทําเหมาะสําหรับคนที่มีบุญหนักสักใหญ่เหมือนกับเราคุน้าเทวดาคหน้ามารนี่เราเหมาะที่สุดท่านเป็นพระเล็กน้อยตัวกระเจิดลอยอย่ามานั่งเลยไม่เหมาะกับท่านท่านบุญไม่พอพระเจ้าบอก อาตามาทําบุญไป ม, มากบารมีสามสิบทัศท่านทําบุญไว้หรือเปล่ามายบอกว่าเราทําแล้วมายก็บอกไม่เชื่อถามลูกน้องเราก็เลยถามลูกน้องเสนามาเนเป็นหมื่นว่าหัวหน้าได้ทําบุญไว้มากใช่ไหมถ้าใช่ยกมือขึ้นเอลูกน้องมายยกสรรพผลเต็มสะพานอต็มหมดแล้ ว, แ ล, วแล้วไระเจ้าล่ะไหนลราเสียงสนรรนุรนขอเสียงที่ ไม่มีสักเสียงหนึ่งมาไล่ไปอย่างนี้อ่าไม่มีเสียงสน น, นุนไปไปไปไปี้คนอย่าไปอยู่ในป่านี่ป่า้งวนไปไปพักทำมาอยู่มานชอบไล่ซะเอาจะป่าสงวนไปไปเออไปทำโงแนนแต่รากว่าหาดู้เ่า่งขอเสียงคนสนับสนุนแล้วท่านคิดดูอยู่ในป่าคนเดียวไหนจะเอาที่ไหนมาเสียงนกเสียงกากา็ไม่เหลือแล้วไปหมดแล้วไหนจะผู้เชาอะไรนั่นค่ะธที่อ มือขวาวางไบนมือซ้ายยกมือขึ้นอ้างพยานเอามือขวาวางนไะ ว, ว้บนเข่าขวาเห็นนี้ชี้นิ้วลงบนแผ่นดินอ้างแม่โธรณีเป็นพยานว่าไม่โธรณีนี่อยู่มานานหลายกับเหล่าหลายกาลากเวลาเราเกิดเป็นมุ่ยสันดอนกะตามเกิดเป็นใครก็เป็นมัคคุเทศก์องค์ใดก็ต่ำและเตมีใบกะตาม ท่านเป็นตจะกยานเห็นมาตลอดว่าเรานี้ได้ทําคุณงามความดีไว้มากมายบา ร, รมีนั้นสามสิทธัตจิงหรือไม่ถ้าจริงขอให้เป็นพยานแม่ธรมีรับว่าจริงโดยคํารามลั่นสั่งสทุนเรื่อนลั่นแผ่นดินไหวมานตกใจหู้โหอยู่ๆแผนดินมันสะทืนเรื่องลั่นหมดโอ้โหบา ร, รมีมากเหลือเกินมานเพ่งไปคนละทางของทาง ช้างเผาออนเลยวัดเดินมาท่าไนไม่ระวังข า, ขาไหนกบเสกนี้ไปเลยเนะี่ยมารยกลั บ, บเพราะฉะนั้นพอมารยกทับไปเนะี่ยเราเรียกพระ่านนี้ว่าอะไ ร, รียกออกกันอะไรนะมามารวิชัยนะไม่ใช่พิชิตม า, มาชื่อใหม่นะ เราเรียกพระปาง น, นี้ว่าปางมารวิชัยวิชัยก็ชนะชนะมารแต่ถ้าอาจามาเรียกออกามาแล้ววิชัยเนี่ยไปถามโยมทา่านนี้ท่านไม่รู้หรอกเพราะโยมต่างในวัดเขาเรียกว่าพระปางสะดุ้งมารใช่ไหมถ้าสะดุ้งมารเลกออกไปถามบางทีไปถามเอ้าทำไมโยมเรียกปางสะดุ้งมารโอ้ท่านไม่รู้อะไรก็ตอนที่มารมาพระเจ้ายังไม่ตัดสรนเไง เพราะฉะนั้นประมาณทําท่าจะฟาบก้าด่าพระเจ้าตกใจตัวเข่าสั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอามือกดทุกข์เขาตัวเองเอาไว้ดูมาชื่อนี้รู้สึกจะไม่ได้เกียติกันเลยนะตาสุรุกมาเพราะฉะนั้นจะไปเรียกไปเรียกมาลวิชัยดีกว่านะครับตามโมมาลวิชัยชนะมาชื่อเป็นทางการมาลวิชัยหมายความว่าชนะด้วยอะไรตันี้ด้วยการอธิษฐานเห็นไหมเมื่อกี้ธรรมาบอกแล้ว สัจจะอธิษฐานอาตรายที่ตับหลังเวลาที่เราทำอะไรนั้นทำจริงไม่สำเร็จไม่เลิกสัจจะนี่คุยจานี่ต้องตระสลุให้ได้ต่อให้มานมามาันจะมาขัดขวางเสมอความที่เกียจบ้างความละนีบ้างความเห็นแก่ตัวบ้างอะไรบ้างพอเราจะทำควาดีขึ้นมาความเมื่อยขบบ้างพวกนี้มานนะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าต่อให้มันมาม า, มากัดแป้งเราจะต้อทำให้ได้พระท่า น, นบอกว่ามานไม่มีบารมีไม่แก่ ม, มานเามาทดลองต บ, บะเราเออถ้าเราสู้กับมันเราก็เข้มแข็งเพราะฉะนั้นคนที่ที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยนะต้องสู้กับมานมานคืออะไรในภาษาของเราคืออุปสรรคอุปสรรคก็คือตัวขัดขวางนั่นแหละคือมานอุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมีขึ้นมาบางคนท้อใจแสดงว่าท่านแพ้มาแล้วจะทําอะไรก็ตามเราจะทําความดีเนะย เพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะไม่ยอมแพ้เพราะเขาที่ถานว่าจะทําจริงเนี่ยเขาจะต้องทําให้สาเร็จมานมามากระซิบมาแก้งมานินทามาโจมตีใบปลิวอะไรตัางๆฉนันไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นเป็นยังไงคนพวกนี้นี่ทําอะไรทําจริงนะเวลาเจออุปสรรคทั้งหลายเนี่ยทําะไรทำจริงนั้นต้องอาศัยธรรมะอีกข้อหนึ่งเวลาที่เดือดร้อนกับมันสูวอุปสรรคไม้มันเก่ง เราก็ต้องพัฒนาตนเองให้เก่งคือธรรมะมาัน ม, มาเก่งแบบไหนเราก็ต้องทำบา ร, รมีสู้เอาไว้เรียกว่าฝึกตนพัฒนาตนธรรมะฝึกฝึกตนให้เข้มแข็งอย่างที่เหมือนกับเรื่องกองทัพเลยนะราชการที่ผมท่านบอกว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสัรทําไมเตรียมรบ กองทัพพมามานั่นคือมารมาเผากรงุงศรีอยุธยาถ้วเราอยากจะสู้กับมารที่มาเผากรงุงเราจะต้องฝึกตนก่อนซ้อมรบกันก่อนฝึกตนซ้อมรบเตรียมพร้อมศัตท์นั้นเรียกว่าธรรมะพระเจ้าถ้าไม่ทําบา ร, รมีสามสิบทักษ์นี่สู้มารไหวไหมไม่ฝึกมาก่อนไม่ไหวกว่าจะมาสัจจกทําอะไรทรั้งหลายนี่โอ๊ยฝึกมาแค่เท่านั้น ไม่ได้ยินถามๆเลยก็ได้อะไรว่าไงนะไม่ได้ยินช่วยช่วยบอกหน่อยอ๋อาลังดีสามสิบทัดนะฮะนี่นะสามสิบทัดนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายนิดหนึ่ง ทัดแปลว่าสิบนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียกว่าสามสิบทัดจริงๆเรียกว่าสามสิบแล้วก็สิบในภาษาไทยที่จริงเป็นการพูดสํำคำทัดหรือทศนิยมนิยมก็คือกําหนดจุดทศเป็นว่าสิบภาษาต้นสิบเรียกว่าท้อสานการณ์สองสิบสาิบทจริงก็คือวเรามีส <ım ensen> like ิบสามสี่เรียกว่าเรามีสามสี่เรารวมสิบเนี่ย ให้มองรู้ไม่แจ้งเราเป็นบารมีโลกิสัพรีสิบปะาทานเศยทานเศริขันติประทิษฐานปัญญาในหลนรี้กเมตตาในสิบอย่างนี้แต่ละอย่างนสิอย่างนี้ทำต่างกันทานนะบารมีไี่สวยทแบบอื่นอุปปาบารมีที่ทำยากขึนปและวก็บารมีทานที่ทายากที่สุดขอเลือกอย่างนี้ทานบร ทานบารมีถึงการให้ถึม้ว่ท่านเป็นตักบาตให้ทานบริจาคสิ่งสองที่เรียกว่าทานบารมีธรรมดาเป็นเอ่อเป็นทานคือระดับบารมีธรรมดายังไม่เรียกว่าอุปัตบารมีถ้าอุปัตบารมีต้องทําแบบพระเวสสันดรเขาเรียกว่าบารมีเข้มขึ้นระดับกลางอันนี้ระดับสูงสุดยากที่สุดอันนี้ในระดับกลางระดับธรรมดาถ้าท่านให้ทานอย่างเช่นตักบาตบริจาคสร้างกติสร้างวิถันอะไรต่างเรียกว่าบารมีธรรมดา แต่คนที่จะเป็นพระเจ้านี่ต้องทําอุปับารมีและทําปรมัตาบา ร, รมีปา ร, ปรมัตาโดาเยี่ยมเยี่ยมยอดอุปะตปเวอรยากขึ้นไปอีกใกล้สิริพานขึ้นไปในอุปับารมีนี่นะอย่างเช่นพระเวสสันดรถ้าทําบารมีเฉยๆแปลว่าให้สิ่งของนอกกายให้เสื้อผ้าให้อาหารในขั้นนี้นะของนอกกายถ้าอุปับารมีนี่หมายถึงให้สิ่งของที่เป็นคนที่เรารักเช่น กะเยสอนให้อะไรกันหาชาลีลูกลูกตัวเองเหมือนกับพับดวมตาไปให้พระนางมัต ส, สีแก่ตามซึ่งเทวดาพระอินงรแปมันตามให้ลูกให้เนื้อให้บริจาคหมดเลยเป็นอุ ป, ปบารมีถ้าป ร, ม, ารมัทบารมีให้ชีวิตเลยให้ชีวิตสมมุติว่าให้ชีวิตยังไงยังมีงพระทาเป็รขึตอนที่พระบารมีรพ้วแกเ ละครเนี่ยเวลาที่มันแสนุกสนุกในโรงละครแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกภาษาฝรังเรียกเรียนรู้ซ้อมใหญ่ก่อนซ้อมใหญ่เนี่ถึงจะมาเอาจริงเวลาทําเนี่ยทาจริงแต่เวลาซ้อมนีม่ยเขาเรียกฝึกซ้อมลครคนที่จะทํำอะไรทำอะไรเนี่เยเขาฝึกมาเท่าไหร่เขาซ้อมมาเท่าไหร่ถ้า ท, ท่านไดตามข่าวเมื่อเ ร, เร็วๆ น, นี้คือข่าวกีฬาโอลิมปิกนะคนที่ได้งเหรียญทองก็มีคนที่พลาดก็มีคนที่ล้มเหลวก็มี ร้องไห้ก็มีหัวเราะก็มีลองไปอ่านมาชอบอ่านระว่าิตรงนี้เนี่ยว่าคนนั้นแต่ละคนมันจะมาถึงนี่นะกมันจะมาถึงดวงดาวของเขาในกีฬาเนี่ไว้เยี่ยมยอดระเบิดนี้นะซ้อมกันเท่าไหร่ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ่ที่ได้วิ่งเร็วหนึ่งหนึ่งร้อยเมตรรู้สึกจะชื่อคุณคุณเกลือหรืออะไรของสาระคนคนนี้นี่นะต้องซูบทฝึกมาอเย็งประมาณที่สุด แกเป็นนักวิ่งเร็วนี่ยเมื่อสองปีก่อ น, นก็เป็นโรคเมื่อโรคเขาเรียกว่าต่อไทรอยนี่มั น, มนบวมมากบวมมากๆเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งแกก็ต้องไปผ่าผ่ารักษารักษายังไม่ทันหายแกก็ต้องไปแข่งกีฬาวิ่งเร็วเขาแกเป็นนักวิ่งพอวิ่งไปเท่านั้นแหละร่างกายมันยังไม่ดีเส้นมันพลิกเลือดอะไรก็ไม่ทราบเลยหามเข้าก็ไม่มาทันทีเลยหมอบอกว่าต้องตัดขาทิง้ง มิฉะนั้นพี่กาแกไม่ยอมตัดโอ้โหทำยังไงดีพอไม่ยอมตัดก็พยายามรักษาค่อยๆประทับประคองมันนะปวดที่สุดเดินขยบขยับมาไม่สุค่อยๆฟื้น ม, มานะจากคนที่ขาเนี่ยว่าจะต้องตัดทิ้งไปนามาพาเลยนะปรากฏว่าแกพอสุดเดินสุวิ่งในสุดวิ่งติดทีมชาติพอติดทีมชาติไดเลยนะ มักแข่งเข้ารอบสุดท้ายชิงเหรียญทองหนึ่ง้อยเมตรไม่มีประเทศไหนกล้องโครทัศ์ประเทศไหนจับไว้ที่แกเลยมามืดแล้วคนคนนี้ไม่ไม่มีทางชนะแต่ปรากฏว่าอาศัยที่แกได้ฝึกมาและเป็นคนจริงจังตอนสุดมีอบรมฝึกฝนจริงๆเก็บตัวจริงๆไม่มีใครรู้แกทำไรมาจา น, นกระทั่งฝึกปืกระทนวิ่ง ไม่มีใครมองแล้วไปจัดไปยเราควรเอาคนที้แช่งมาอยังไงนี่เอ้าชนะไเลยได้เงินทองการฝึกตนในทุกเรื่องก็เหมือนกันในการทํางานในชีวิตในการปฏิบัติธรรมต้องนมัสการจิตว่าเราต้องทําจริงจังแล้วสองเราต้องฝึกตนมุ่งมั่นไปถูงเป้าหมาย น, นั้นเรียกว่าธารรมะเวลาสุกนี่นะ้นทำอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปตัวเรื่องอยากลํ า, าบากทํางานก็คือฝึกนั่นเอง สร้างบา ร, รมีเราทํางานเราหัวหน้าจับให้ทำเราก็ทําให้จับอันนี้เราก็ทำเร็ว่าสร้างบา ร, รมีความความเชื่อแข็งของเราบา ร, รมีก็คือทําตัวเองให้เต็มเตี่ยมบา ร, รมีรเพราะว่าเต็มเต็มเตี่ยมด้วยความรู้ความสามารถอย่าไปนุ่งเราตําแหน่งแค่นี้ไปทําอะไรมากมายคงจือ้อเตือนไว้เลยให้คงจื้อทําอะไรคงจื้อจะทําให้ดีที่สุดให้คงจื้อเลี้ยงมาไม่แต่ต้องอ้วน ให้ผงเจือเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มคำและผมเจือเตือนบอกว่าอย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถห่วงแต่ว่ากวันหนึ่งเมื่อคนเขายกย่องท่านเลื่อนตําแหน่งท่านท่านเก่งจริงสมกับที่เขายกย่องเลื่อนตําแหน่งหรือเปล่าคือบา ร, รมีถึงหรือเปล่าความรู้ถึงไหมความสามารถถึงไหมถ้าคนมันมีบา ร, รมีถึงวันหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องใช่รือเ่า เมื่อถึงโอกาสเขาเรียกสถานการณ์เนี่ยมันสร้างวีรบุรุษสร้างวีรสตรีคุณอนานั้นปัญญาตชุนเนี่ยถ้าเก่งไม่จริงไม่ได้เป็นนา ย, ยกครั้งที่สองหรอกครั้งเดียวเขาไม่เอาแล้วเป็นแค่อะไรเป็นประธานสหบริษัทสหโยูเ น, ยยนเนี่ยอยู่ๆมาเป็นนา ย, ยกเขาไม่ได้นัวถึงจะเป็นนายกแต่เพราะความเก่งนะเก่งแล้วเป็นนา ย, ยกครั้งหนึ่งไปพอครั้งที่สองอีกอันนี้เราเรียกว่าการตุกต้นเตรียมพร้อมไว้เสมอ แล้วคนที่ฝึกตนเตรียมพร้อมเนี่ยมันจะผมกัเรื่องจริงจังคนที่ทําอะไรจริงจังและฝุกตนเข้มงวดเนี่ยจะไม่ยอมแพงไงไ้ง่ายๆจะมาขอยกตัวอย่างสักคนหนึ่งคนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นเป็นเป็นะัฒนาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดยเชื่อมมาในทุกท่านต้องรู้จักเขาตอนที่เขาอายุยี่สิบเอ็ดปีเขาลงทุนทําธุรกิจ ขาดทุนเยอะแ ย, ยเลยเคยเป็นบาร์เทนเดอร์นะเสริมอะไรโอ้ไม่ได้เรื่องจนหันมาเล่นการเมืองเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นปาบอว่า เ, เป็นคล้ายๆกับสอจอยอย่างนี้นะเขาไม่เลือกตัเองเนะ่ยสอบตกอีกอ่ะอายุ24ปีหันกลับไปทําธุรกิจใหม่เล่นการเมืองก็ไม่ได้เรื่องขาดทุนเยอะแยะเลยครับอายุ24ปี มีแฟนกับเขาอยู่คนหนึ่งแฟนตายดีโอโอกหักอีกแล้วอายุ32ปีสมัครเป็นสมาชิกสภาล่างเป็นสสแบบนี้หาเสียงกันตอนนี้ของสารัฐสอบตกอายุ36สมัครเป็นสสใหม่สอบตกเลยฮะหมดกำลังใจไม่เลิกไม่เลิกเลย อ, อายุ42สมัครเป็นวุีิสมาชิกของสารั ต, ต, ต๊อกอายุ45สมัครเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเขาก็ไปเอาอีกดูๆแล้วน่าจะเล่นการเมืองไปเป็นประธานาธิบดีได้อายุ52สมัครแข่งขันเป็นชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเหมือนกับอย่างที่ปีนี้เขาแข่งนี่ยเดือ น, นเทศกาลนี่ยาจะลงคะแนนคนคนนี้ก็สมัยนั้นก็ไปสมัครเป็นประธานาธิบดี ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีตอนอายุห้าสิบสองพอเป็นประธานาธิบดีแล้วทำมาดีมากเลยเมื่อสิบปีเนี energia, ่ยที่ผ่านมาเนี่ยนักประวัต ER> um, ิศาสตร์อเมริกานังหนังสือพิมพ์อนิตยสารถ่ายทรงแบล็คอสามไปตามนักประวัติศาสตร์อเมริกานักเขียนหดังๆบอกว่าให้ช่วยลงคะแนนหน่อยว่าประธานาธิบดีสามสิบเก้าคนที่สหรัฐเคยมีมาในสมัยรีแกลเนี่ยใครควรจะได้ท็อปสิบติด ว่าอันดับปัฒ น, นาที่บริษัทที่ดีที่สุดสิบคนแรกของสหรัฐคนนี้ติดอยู่ในท็อป10เลยแล้วได้อันดับหนงดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาเลือกออกไหมว่าใครคนคนนี้จะบอกไม่ให้เป็นคนที่ประกาศเลิกทาาให้กับสหรัฐอเมริกาเหมือนกับในหลวงปิยมหาราชของเราเลิกท่าในเมืองไทยคนนี้เลิกทาาให้กับอเมริกาให้คนเลือกออก และคนคนี้เป็นคนที่พูดว่าประชาธิปไตยคืออะไรเขาบอกว่าประชาธิปไตยคือรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอัปราห์มลิงคอนคนคนนี้ถ้าท้อขอยเพ้มานตั้งแต่ต้นจะไม่ได้เป็นบระธานาธิดีและประเทศอเมริกาก็อาจจะไม่ได้มีการเลิกทาาอีกนาน และเขาก็จะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาแต่เขาเป็นคนจริงจังสุดฝนตัวเองอะไรตลอดเวลาในที่สุดฝึดยังไงเขาจะสึกพูดเลยนะเวลาฝึกพูดไปเกี่ยวไปตัดก้อยในป่าตัดไปตัดมาพอตัดก้อยไปก็แกก็ฝึกพูดไปเรื่อยฝึกฝึกไปฝึกมา ไอคนที่ตัดอ้อยอยู่ข้างๆกันยังไม่เห็นตัวแต่ฟังแกพูดไปเลื่อยหัเราะกันก้าวไม่ยอมตัดอ้อยเจ้าของไรอ้อยเลยมาขอรลองยังมาเพื่อพูดคนเดียวดิคนมันคขำกันเนี่ยแต่คนเพื่อนเห็นไม่พลาดแกนี่จะใส่หมวกหมวกสูงเนี่ยหมวกลิงคอนใส่หมวกสูงเวลาแกไปไหนแกนั่งรถมาถ้ากอลงมันเรลวในหมวกเปลวไว้กระดาษเต็มหัวเลยเปลวตามไปเรื่อยท่าก็ถามว่าคุณเอากระดาษมาจากไหนเนี่ย บอกไอ้นี่แหละครับผมไปอ่านหนังสือเจออะไรผมก็จดไว้จดไว้เตรียมไว้พูดอ่านเลือยไม่มีเวลาอีกเป็นเพราะนั้นดีจดใส่หโโัวนึกนึกจะไปตาขายอยู่ไหนเ อ, อ้านั่งรถไปนั่งรถมาไปจดใส่หัวอารมณ์ตื่ทีเบรกรถมาเปนเพรานั้นเอาเครื่ร้องวิ่งตามเก็บคนคนนี้จะขุดตนหลอไปล่ะเป็นนักปุ่ที่ดีที่สุดคนหนึ่งนอัเไปถึงถี่มันพพิม์กันทั่วโลกสุนถึงถล่มของ ลินคอนเนี่ยพูดเก่งมากจดงมากทีนี้พูดถึงเรือว่าฝุกตนเนยนะคนที่จะฝึกตนได้เนี่ยต้องเรียกว่ามีกาลังใจกำลังใจก็คือยังไงย่ายอมแพ้ความยากลาบากอะไรที่มันยากเลยอย่ยาไปยอมมันทา่านสังเกอตดูต้นไม้เลยนะต้นไม้ไหนที่มันเจอจแต่ได้ดูฝนเลไม่เจอได้ดูลอนเลยนะมันจะโตใหญ่เลยงามงามงๆ แต่ว่ามันฟ้ามข้างในข้างในเนี่ยไม่มีแกนีแต่น้ําหักง่ายต้นไม้ไหนที่เจอแต่ละดูแลอีกไม่เจอผลเลยแกลนเป็นบอลใสไม่โตต้นไม้ที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องเจอและดูฝนด้วยงามใหญ่เลยพอเจอแ้วดูแลนะ โอ้โมันก็สร้างไอ้เกาะป้องกันตัวเองเรียกว่าวงปีเนี่ยคุมมันปีหนึ่งมันก็สร้างวงมาวงปีนี่แหละที่รวมกันเป็นแก่งของต้นไม้เวลาที่เราไปตัดต้นไม้ใหญ่นะไปข้างในเราจะเห็นมันเป็นวงวงนั่นคือไปจากขยานมาต้นไม้นี่ท่านอุปสรรคผางความร้อนมาตกกกีคันที่หุ่นคนที่เก่งนี่นะ มันสู้มานสู้อุปสรรคมาโอ้ไม่รู้อะไรแล้วไม่ยอมแพ้ง่ายๆอย่าไปหนีความยากลำบากเขาก็ส่งทะทะสไปอยู่จังหวัดโอ้ยลำบากจังหวัดโนจังหวัดนี้ไม่เอาขออยู่ตรงนี้เราไม่ได้เรื่องซีเราไม่ไปแล้วเน้เ น, นี่ยเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่ยไม่ได้เรื่องจริงๆอยู่แค่นะั้นงานก็มีผลงานกับอย่างนี้แต่คนที่อ่าส่งไปไหนฉันทําสู้พวกนี้เรี่ยรู้พัฒนาตนอยู่ด้ยไปอยู่ที่หนก็ต้องปรับตัวต้องเรียนต้อไรต่างเก่งนะ เพราะฉะนั้นมาไม่มีบา ร, รมีไม่แก่ชีวิตเราก็เหมือนกระท้อนเนี่ยกระท้อนนี่ ก, นก้องทุกข์แต่บ้านมันถึงจะหวานไม่ทุกข์ไม่หวานเพราะฉะนั้นโบราณก็บอกว่าหวานกระท้อนตอนช้ำทำให้คิดแต่ชีวิตชอบช้ำไม่ช้ำหวานกับชุ่มชื้นชนนาอุาราลานเชิญวิจารกันบ้างสุดทู้ฟังมันไม่หวานช้ำ ม, มันไม่หวานแต่มันแรงและฉลดขึ้น คุณอ น, นันต์เนี่ยนายกเราเนี่ยอ น, นันตยย์ปัญญาชนเปลียนชีวิตท่านเหมือนกับปิงปองนี่ท่านพูดดีตอนท่านเป็นนายกครั้งแรกนะบอกชีวิตผมเนี่ยเหมือนกับปิงปองเวลาที่มันจมเนี่ยปิงปองในเวลาที่จะจมน้ําเนี่ยนะเมื่อมีมือกดเท่านั้นหรอมันถึงจะจมพรมือเนี่ยโดนกล่อยปิงปองมันลอยชีวิตท่านเหมือนปิงปองทศสองพันหสิบแปดท่านเป็นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศหนุ่มมาก เป็นอยู่ที่นั่นอยู่ที่มหาพิจชฉาตก่อนเนี้ยอ น, นันต์ปัญญาชะชนเป็นเอกการทายทูตประจําหาพิจ ช, ชาตแล้วก็มาเป็นประหลาดกระทรวงการต่างประเทศอัตมากระเตตกบว่าคอมินิสตเก่งจริงๆเสร็จแล้วสองพหนสิบแปดเนี่ยท่าน ค, คลึกฤทเป็นนายกตอนฟานสังพันทางการทูตกับประเทศจีนสองพันห้าร้ 2, อสิบเก้าเกิดปฏิรูปการปรกครองแผ่นดินพวกที่ฝักฝ่คอมมิวนิสต์เดินสอบสวนหมดเขาก็หาว่าท่านอ น, นันต์ปัญญาละชนประลาดกระทรวงการต่างประเทศ ปักฝ่าคอมมิวนิสต์ตั้งกรรมการสอบสวนท่านก็สู้สู้การสอบสวนสู้คดีจนชนะว่าท่านไม่ได้ปักฝ่ายแต่ท่านเห็นว่ามัานนี่เป็นการตันแกล้งท่านลาออกจากราชการในตำแหน่งกระไรกระทรวงไปเป็นประธานบริ ษ, ษัทสหภาพยุนิเอ็นไปทําภาคภาคเอกชนไปสั่งสมบา ร, รมีเป็นนักธุรกิจท่านเป็นนักการพูดมาแล้วแล้วก็มาเป็นนักธุรกิจ สั่งสมบารมีจนท่านเป็นประธานบริษัทเครื่อที่ใหญ่มากและแต่เนี้ยมาถึงยกลาไชยแต่ต้องการนายดนตรีที่ต่างประเทศยองครับแล้วใครเป็นบารมีท่านเคยอยู่วอชิงตันเคยอยู่สาประชาชาติและเป็นนักเศรษฐกิจมีหัวในทางธุรกิจและมีใครบอกพร้อมบ้างที่มีบารมีในท่านนี้คนคนเดียวที่รวมทั้งนักการพูดและบารมีในต่างประเทศไว้และธุรกิจบริการก็คืออนันต์ปัญญาชุนเป็นปองรอยแล้วนี่ ก็เดี๋เป็นนา ย, ยกกฎมันก็โจบจแต่ปลามันขึ้นนี่ลอยมาผมที่สองเลยมีบางคนจะเอาอย่างนะจะลอยขึ้นมาบ้างไปดูแถวแถวพักชาติพัฒนาเลยนะไม่รู้จะขึ้นจะจะร่วงหรือเปล่านะจริงปอกแต่ว่าจะถา่ายทอดแต่ที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่คยอ ม, มนจะโดนร่วงน่ามากกว่าเพราะฉะนั้นกระผมว่าคนที่มุ่งมั่นจริงจังเนี่ยสมายนึกถึงเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ในในประเทศ เกาหลีต้นไผ่ต้นไผ่นไในประเทศเกาหลีเนี่ยันจมาไปไปคุมที่นั่นเลยนะเกาหลีใต้เนียเวลามันเจอไปเจอหิมะไหนะมันก็เอนลงนอนลากอยู่กับพื้นดินหิมะคลุมคลุมสามสี่เดือนอยู่ใต้หิมะเพราะหิมะละลายนะมันก็ยืนต้นคืนดังเดิมแต่ประหลาดที่ว่า มันสูงกว่าเก่าก่อนที่มันจะล้ม ก, ก่อนที่มันจะล้มเนี่ยนะมันเตี้ยพออยู่พมาละไายนี่มันสูงเพราะอะไรเพราะมันได้รับปุ๋ยได้รับน้ำมันงอก อ, อยู่ใต้นะั้นพออยู่มาละลายมันก็เลยสูงขึ้นเมื่อคนบางคนเวลาล้มลงมาผิดหวังยืนคืนต้นคืนกลับมาตำแหน่งเดิมเลยเก่งกว่าเกา่าฉลาดกว่าเกา่าสุขกว่าเกา่า รเรียนรู้จากความผิดพลาจักมารที่ตัวเองไปสู้มาเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านผิดหวังล้มเหลวอกหักผิดพลาดตำแหน่งงานมีปัญหาอยากไปท้อถอยสู้และจะทําให้ดีฉลาดขึ้นแปลงขึ้นธรรมะฝึกตนไว้เสมอสู้กับมันมันไม่มีบารมีไม่แก่เพราะฉะนั้นเวลาล้มขอให้ล้มอย่างต้นไผ่ในประเทศเกาหลีอย่าล้มเหมือนมะพร้าวที่ชุ่มพรตอนพายุเกยหายไปเลยจังหวัดนี้ยังไม่ฟื้นเลย เพราะฉะนั้นต้องแก่งขึ้นตุกตนนั่นเองพรามาบรรยายมาสองข้อเลื อ, อีกสองข้อให้ท่านพักขึ้นแล้วหน่อยเพื่อจะได้ไปห้องน้ำบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวไม่มีสมาธิมารชนะอลยพักก่อนหล <c oughs> ังจากที่ เสร็จเรียบจบแล้วจะข อ, ยยอเป็นใหญ่ต่อเราได้พูดถึงสัจจ า, านุปถัมภก็เหมือนกับเป็นบรมีขัานหนึ่แล้วนะพระพุทธเจ้าที่ไดเป็นพระเจ้าเฉพราะว่าสัจจ์นีงสมัยที่เป็น ส, ส, ส, ส, ส, สมัยท่าบทชาติแรกๆในก่อนที่จะจากคุณธรรมานที่เป็นพระเจ้าก็สัจจานุปถัมภ์เลยอธิฐานท่าน เราสุเมธดาบทสุภรเจ้าเราสมัยนั้นเห็นชาวบ้านเขาหลังสร้างสร้างทางต้อนรับพระเจ้าขนาดวัดทีปังกรในสมัยนั้นพระเจ้าจะชาวชาวบ้านได้สร้างทางมายาวจนกรทั่งมาถึงจองทุกคนจองหมดอยากจะทําบุญถวายพระเจ้าสร้างขนาดต้อนรับเข้าเมืองปรากว่ามีที่อยู่ที่หนึ่งที่ยังไม่มีคนจอง เป็นที่โคลนเฉดเท่านตอนนั้นท่านตุมเมทดาบทเนี่ยนะเป็นดาบทึ่มีธีริตจะใช้ลิตกระดาษสร้านะงทางแต่ว่างานนี้ต้องทําบุญจริงๆทําเองไม่ต้องใช้คนอื่นต่อให้มีลิตรบรรจงบรรดาลฉันจะลงบุญมาทําเองเมื่อกี้นารยกบางคนเวลาจะใส่บาตรมีคนใช้ ก, ก็ไม่ให้คนใช้หุงข้าวหุงเองทําอาหารเองเอามาใส่บาตรทำได้ตนเองท่านตุมเมทดาบท ลงคือขุดมีลูกติดลูกหายเยอะในแต่ท่านมากุดทําถนนเองทํามาในส่วนที่ท่านรับผิดชอบกับของท่านเนี่ยเจอจะเสร็จอยู่แล้วเหลือประมาณสั ก, กวานี่ปรากฏพระเจ้าเสด็จมาพอดีขบวนของท่านมาพระเจ้าเสด็จมาถึงเดินมาตามถนนเนมาถึงโอ้กระทันหันอย่างนี้ท่านจะเอาอะไรท่านจะมีธารบทสร้างไม่เสร็จเหลืออีกประมาณสั ก, กวันแต่ตรงนั้นก็เป็นโคนโฉดแฉะน้ําเปียน ปรากฏว่าท่านตัดสินใจท่านตุเป็นท่าดาบดคือพระพุทธเจ้าเราในอดีตชาติเอาเอาอหนังเสือซึ่งเป็นแค่ผ้าผมุ่งเลือดสีเนี่ยของดาบดเนี่ยปูราดลงบนอโคลเลยนะปูแล้วท่านก็ลงนอนท่านตุเป็านดาบดนอนคว่ำหน้าลงบนโคลนนั้นให้พระพุทธเจ้าขระนาวัิปังกรเดินเหยียบตัวท่านไป ไม่เพื่อนคนพอเหยียบท้นไปท่านก็บอกว่าที่ทำั้งนี้ไม่ได้ปราถนาสวรรค์สมบัติตื่นในขออธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคนพระอีฟังกอพระพุทธเจ้าก็ให้พรบอกว่าขอจงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่นั้นมาก็นั่นคือจุดเปลี่ยนเาอกว่าบำเพ็ญบา ร, รมีมาเรื่อยเที่ยวบา ร, รมี1สแล้วก็มาเป็นสามเสแล้จุดเปลี่ยนนั้นคือสัจจะนี่ ขอเป็นพระเจ้าแล้ะเป็นจริงๆให้ได้แม้จะเจอพระท่านเทวทัศตในบังชาติสู่กันอะไรกันก็กลางอย่างมันเป็นชูชกอย่างนี้นั่นก็คือชูชกมาทําให้พระเจ้าได้ทําบารมีแก่การถ้าไม่มีโชชกไม่มีตัวโรงพระเอกก็ไม่ได้แสดงฝีมือนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกว่าจะเจอสิ่งที่ป่าถนามันก็ต้องผ่านมาบ้านทีผ่านมาเนี่ยมันพอสัจจาระแล้วมันก็มาอธิษฐานบนตนมันก็ต้องมาตกฝนต น, นเอง เพื่อไปสู่ที่ปรารถนาสร้างความรู้ความสามารถมัให้เก่งขึ้นในขณะที่กำลังสร้างนั้นหรือสร้างตัวกำลังทำอยู่นั้นบางคนเลิกกลางคันสัจจ์ถึงจะมีแต่ว่าอยู่ไม่นานเพราะทนไม่ไหวขันติความบดคนไม่เพียงพอมานมันมากันเยอะมือมันเยอะ รับมือนั้นแหละเอาหมัดทิ้งลูกโป่งมันจะหายอีกเล้วมือพอมือก็นอนดีกวาไม่เอาแล้วนะพวกนี้คือขาดความอดทนเพราะฉะนั้นถ้าจะสู้ชีวิตทําอะไรสําเร็จจะต้องมีขันติดอดทนทนมีสองความหมายทนลําบากกายกับทนเจ็บใจทนลําบากกายนี่หมายถึงว่าความเหนื่อยความยากสู้มันได้ ความเมื่ออย่างเวลาเราหน้าเหนือนี่เมื่อยก็ทนง่วงก็ทนเมื่อยก็ทนโอทนไปนเรื่อยเืยมันจะขันติจะเป็นขันแตกเราทนลําบากายนี่ยังพอทนนะแต่ เ, เจ็บใจนี่มันทนไม่ได้เขาดา่าเราเราก็ทนแต่เราเราก็ทนครั้งที่หนึ่งเราแต่ยิ้ม ว่าเราครั้งที่สองก็จิ้มเพราะว่าเราครั้งที่สามตกกลับเลยชาเท่านี้เนี่ยดาฉันมาสามผลแล้วนะทนให้สองผลกับบุนแล้วนี่ยังจะว่าอีกเนะี่ยกลายกลายว่าฉันแตกคือคนเราเนี่ยมันทนกันมาได้บางครั้งบางขนาดทีนี้ทนลหมากกายกับคนเจ็บใจนี่จะพูดรวมๆกันมันต้องมีวิธีคิดด้วยนะสมมติว่าท่านเดินทางไปในทะเลเนี่ยนะทะเลสายนะ ท่านมองไปถ้าท่านไม่ีความหวังบางทีท่านไม่ทนคนบางคนเนียที่ตายในทะเลทรายเนี่ยเพราะว่ามันมึ่ยจริงๆมันหิ้วน้ำจริงๆแต่แล้วถ้าเดินข้ามเขาไปแค่นิดเดียวเนี่ยเขาจะเห็นน้ําแต่บางินเขาไม่อยอมไปหมดกําลังใจคนร้อนคนหนาวไม่เอาอีกแล้วมันมากแล้วมันสุดที่จะทนแล้วไม่ไปแล้วตา ย, ยตัวนั้น มีเรื่องเ ล, ล่พาพระเจ้าได้เล่าเอไาไว้กองเกวียนหนึ่งมีเกวียนหลายร้อยเล่ม น, นะข้ามทะเลทรายไปจะไปขายของต่างเมืองปราวฏวิธีเดินทางในทะเลทรายนนะในสมัยโบราณของพระเจา้าเขาไม่มีเข็มทิศเข็มทิศนี่ชาวจีนเป็นผู้คนพบท่านเหมาเจอตงไี่พูดดีนะ บอกว่าคนจิงนี่ฉลาดกว่าคนอเมริกาเพราะเราเป็นผู้ค้นพบดินปูนนะค้นพบไอ้เจ้หลวดคล้ายๆกับบั่งไฟอย่างนี้แต่ว่าเรายังถอมตนปล่อยให้อเมริกาขึ้นไปดวงจันทร์แล้วเป็นคนค้นพบเข็มทิศแต่เราไม่เคยทอะไรหรอกปล่อยให้โคลัมบัสใช้ไปค้นพบทวีปอเมริกาบั่งไฟไทยก็มีแต่ก็ไม่เคยทำอย่างอื่นนอกจากบั่งไฟ เหมือนจิตที่เข า, าเรียจีนตุงว่าพระบอกว่าในส ม, มัไพระเจ้าอินเดียนี่ยังไม่มีเข็มทิศคนเดินทางเมื่อคกลางคืนอาศัยดาวเปี่ยนเล่มหน้าเนี่ยเขาจะคนที่นอนอยู่เปียนเรื่มหน้าเขาจะนอนไม่นอนหลับนะกลางวันมัร้อนมากเนี่ยเขาจะเอกวีนมาจอดลิงๆกันแล้วก็นอนใต้เปลียนกลางคืนเขาจะเดินทางและดูดาวเพราะกลางคืนมันเย็นฝัดมันจะไปได้ พอเดินทางไปได้ประมาณสักครึ่งเดือนเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ถึงแม่เพราะาดูตามแผนที่อะไรไอไอแผนที่ดวงดาวอต่างนิสสาองศาอะไรต่างนี่คนที่เป็นหัวหน้าคณะบอกว่าคนที่ดูดาวบอกว่าเดินอีกคืนเดียวคืนนี้เลยนพรุ่งนี้สว่างถึงเมืองพ้นทะเลต า, ตาเพราะฉะนั้นมีน้ําเ น, นื้อทิมเราประหยัดกันมานะกินไม่หมดให้สัตว์มันกินแล้วมันจะได้มีแรงอะไรมันจะได้ไม่หนักมันจะได้ ไปเร็วคืนนี้พวกนี้ร็จถึงพอดีน้ำมีทั้งนั้นิดหมดดื่มหมดอ่าลงเราเริ่มเดินทางเกวียนก็อพยพเดินเดินไปในข้ามทะเลทรายสักเที่ยงคืนได้คนที่ดูดาวซึ่งนอนอยู่เกวียนเลิ่มแรกเร่มหน้าสดหลับไม่ได้คุมไม่ได้บอกว่าวัว น, นี่มันควรจะไปทางไหนเพราะแกหลับเท่านั้นเน่ยวัวมันมันก็ไมีคนคุมสิมันก็สเปะสะปักไปนี่เลย แล้วตัวใหญ่สัตว์มันมาทางไหนมันก็คิดถึงบ้านมันมันอยากจะกลับนะมันก็เตะวงออมอ้อมกลับไปทางเก่าไอ้คันอื่นข้างหลังแต่หลักแต่หมดมันก็ไปก็เป็นงูกินหันตื่นเช้าขึ้นมาสว่างคนนี้อ่ะนี่อยู่ที่ไหนดูไปดูบังกลับไม่อยู่ที่เดิมเมื่อคืนก่อนจะเริ่มสตาร์ไปตายแล้วมันเริ่มใหม่แล้วอยู่อีกหนึ่งวันแล้วไปจะเดินทางอีกหนึ่งคืนน้ําก็ไม่มีกล็ดอาหารก็ปรุงไม่ได้ คนไม่กี่มีกินเพอะว่าแต่สัตว์ถ้ามันไม่มีน้ํากินมันอดน้ำมาหลายวันแล้วมันไม่ยอมไปตายทั้งหมดทําอย่างไรดีในที่สุดเนะหัวหน้าคณะบอกว่าเราต้องยอมไม่ได้ต้องหาน้ําไม่ได้หัวหน้าคณะนี่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามิตรภาพอดทนสูงสั่งลูกน้องเลยไปดูต้นไม้ที่ไหนบอกมาไปเห็นต้นไม้ต้นใหญ่อา้าว ต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายนี่แสดงว่าใต้นี้ต้องมีต่านะำขุดไปเลยสางลูกน้องขุดมีจอบมีเสียมอะไรขุดลงไปขุดบ่อในทะเลทรายนะตามต้นไม้นะขุดต้นไม้ทิ้งไปแล้วขุดไปเรื่อยขุดไปได้ลึกสองสามวันแทนที่จะเจอน้ำไปเจอแผ่นศิลาไผ่นอกุ๊กุ๊กกุโอ้โหขุดไม่ลง คนงานใจหายเลยไหนว่าจะเจอน้ำทำไมมาเจอของแข็งเข้าโอ้ถ้าจะตายกันหมดทิ้งจอทิ้งเสียมนอนหมดกาลังใจหมดคนงานทั้งหมดซึงไม่เราตายแน่เราไม่เหลือแน่ทำาไงหุณหน้าคณะบอกปล่อยไม่ได้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ทนต่อความยากลาบากเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องฝุดจนต่อแก่ฝุดลูกน้องเลย แล้วทําจริงด้วยไม่ยอมหยุดจะลงไปในบ่อเองเลยนะบ่อในทะเลสาเอ้าหูเป็นแนบแนบต้นไม้มันมาอยู่ตรงนี้มันขุดตรงนี้ทําไมมันไม่เจอนะแนบผนังก็ไม่ได้อยินอะไรเออแล้วทำไมอีกมันมาอยู่ตรงนี้แกก็มาดูดูดูเอาหูเนาะเอาหูแนบแนบกระแผ่อิได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ใต้นั้นจั๊กจัอ่าตาน้ํามันอยู่ใต้นี้นี่เอง ลากไม้เวลามันลงเนี่ยมันโค้งแต่คนขุดไม่มาขุดตรงมันก็มาเจอแผ่นอิดเด็กท่านก็เลยสั่งเลยอ้าวมาขุดต่อขุดต่อคนงานหมดกําลังใจแล้วไม่ทนแล้วไม่สู่แล้วเหนื่อยแล้วหมดแล้วต้องปรบบอกว่านี่ฟังที่ใต้นี้เสียงอะไรพอฟังเท่านั้นแหละเสียงจ๊๊กจ๊กอ้าวน้ำขุดกันใหญ่เลยไม่ต้องสังทุบทุบมึงอะไรมึงเดี๋ยวเดี๋ยวแต่นั่นแผ่นอิกใหญ่ไม่เลื่อนเลยล่นลงไปขวางตาน้ํา มันเป็นน้ำไหลน้ำไหลอยู่ใต้ทะเลสบนะเาบพอมันขวางปั๊บเลยเนะน้ำมันเปลี่ยนทางมันก็พุ่งขึ้นเป็นน้ำพุเลยคนใใหีกใจกันใหญ่ได้อาบได้ดื่มได้กินสัตว์ก็กินน้ำไรเดินทางต่อไปถึงที่หมายถ้าเขาหยุดเสียก่อนนะเจอแผ่นอิดแล้วหยุดไม่ขุดนะตายกันหมดไม่อดทนไม่ต่อสู้คนบางคนนั้นทำดีดเกือบจะได้ดีอยู่แล้ว เกือบจะเห็นผลอยู่แล้วไปเจอบริษัทไปเจอคนขัดขวางไปเจอคนดา่าคนว่ามีปมัญหาขึ้นมาเลิเกเสียการคันเหมือนกับคณะอันนี้ไปเจอแผนิตตอนต้นเพราะฉะนั้นเราต้องชนสู้ทำให้เหมือนถึงที่หมายท่านในในพระชาติพระเจ้าบําเพ็ญบารมีวิริยะบารมีเนี่ยหรุปพระชาติเป็นอะไรท่านเดีก่อนในสิทธชาติถ้าวิริยะนี่เกิดเป็นอะไร ปัญญาบารมีเห็นอะไรต้องดึกเตมีไหเอ้ามหาชนกมหาชนกมหาชนกนี่บำเพ็ญบารมีเป็น บ, บ, บำเพ็ญบารมีคือวิริยะคําจริงวิริยะคนที่มีความขยันก็คือพวกมีธรรมะแต่ต้องอดทนตาวนท่านมหาชนกเอในบารมีที่วิญญาณไปเกิดช่วงนี้นี่ยแล่นสำเพาไปส่วนภูมินั่งไปนั่งรื้อนั่งสําพาไปค้าขาย พอาปลากรวัวสำเพามันโดนพายุจะอับปางมันเองไปเองมาตามพายุนะมาหาชนกตอนนั้นยังหนุ่มคนตกใจกลัวกันมากอ้เราจะตายหรือไม่บางคนก็สวดมนต์อ้อ น, นวอนพระเจ้าบางคนก็อะไรต่างๆนะแต่ปรากรว่ามาหาชนกนี่เฮ้ยหาอาหารบ ก, กินพอรู้ว่าจะต้องว่ายในทะเลหลายวันกินอาหารตุนไหม แล้วเอาผ้าเนี่ยผ้านั้นๆเนี่ยชุบน้ำมันชุบน้ำมันให้มันมีกลิ่นเหม็นหอพันกายไว้ไล่สัตว์ลายคเรือมาทำท้ากระจมเรือใบเลยนยะมันมีเสากระโดงท่านมาหายชนุกนี่มองไปรอบๆดาบเรือเนี่ยมันมีสัตว์ลายปลาฉลามนี่ว่ายรอบเลยนะมันได้กลิ่นเลือดมนุษย์แล้ว้าตกงกันทางมันตายแน่ ท่านปีนขึ you, you, gone, way, so ้นไปยอดเสากระดงซึ่งสูงมากในเรือเรือเรสมุทรเนี่พอรอจังหวะนะคนอื <c oughs> ่นไปไงมวัวจะวิ่งเงินไปวิ่งกันมาอย่างนี้เน่ยไม่มีสเติแต่มหาชนุกีคนปีนขึ้นไปยอดพอเรือมันคว่ำพลิกแค่นั้นเน่ยนะมันเป็นแรงหุยอย่างดีเลยคนอยู่ปลายเสากระดงนี่ท่านมหาชนุกคนเดินเหมือนกับเอาเอาเอาไม้มาดีดหนูเนี่ยยิงก็ตุนไปเนี่ยลอย เปแนการตันแรงเหวี่ยงเลยนะไปตกตรถไฟเลยนะไอฉลามต่างหายนี่มัวแต่ไล่งับคนไปเลยเลิมเห็นหนู่นคนว่ายน้ำหนีไปนู่นคนหนึ่งเนี่ยมหาชนกไปแนบแล้วร <c oughs> อดไปแล้วนะครั้งหนึ่งนงว่ายไปเองเนี่วันหนึ่งก็ยังไม่ถึงสองวันก็ยังว่ายอยู่นะเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยพระองค์คคนแค่ไหน แล้วก็ไม่เห็นฝังแต่ยังไหวไปอีกสักจจะเอาจริงเอาจังธรรมะต้องมีการฝึกแข็งแรงร่างกจ ย, ยต้องพรและที่อย่างเราในบาทีหยอกแยกหยอกแยกถึงให่วันเดียวรถไปนะนี่ต้องต้อมานะพอสมคงรนี่ยจะไปเอาอย่างนะั้นเรื่องที่ความสามารถเฉพาะตัวก็เราก็ร่ว่ายไปเจ็ดวันในเรื่องบอกว่านามณีเมฆลานามณีกิเลสลาเป็นเป็นเทพพิดาประจําสมุด มาเห็นเข้าคือจะมีหน้าที่ช่วยคนเนี่ยปกติช่วงนั้นไปเข้าเองนะรับใช้แล้วไปในเรมิดถอยนู่นถอยนี่เทวดาแล้วต้องไปเข้าเองเหมือนกับบริมิดแต่ว่่ว่าดีช่วงช่วงช่วงร่มตอนแรกเขาจะไปเข้าเองพอนี้ออกเวรมาก็มาดูตำรวจตัวเองไปออกไปเรื่อยๆนี่เขาก็ใช้ยเขหนุ่มว่ายนานหรือตัวนี่ก็เลยไปปรากฏกายให้เห็นถามบอกวบาท่าน ที่จะไหวไปไหนหนวกไปเมืองวิถิลานครแล้วจะเห็นฝั่งหรือฝั่งวิทาไหนไม่เห็นแล้วจะไหว้ไปทําไมก็ผมยังไม่ตายควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดติ้นหวังตั้งมาตหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนายปรางทั้งหลายสงหวังเพราะตั้งใจ ตั้งใจจริงมีความอดทนเพอตั้งใจจริงเนี้ยมันจะทําให้เราทนพอเราหมดหวังขึ้นมาทนไม่ไหวหมดกำลังใจเหมือนกับเหมือนกับอะไรมาใเนี่ยนะ้ยวัวที่มันลากเปรียนมาอเวลาลากเปลียนมันจะตายหลยเพราะเขาจะปล่อยมันนะเนี่ยมีมันร่วงมีน้ามีหญ้ารอเลยอู้ยทุกทักแข็งแรงกําลังไม่รู้ไปจากไหนเพราะฉะนั้นความอดทนกำมันใจเนี้ยมันจะต้องบวกกับความหวังเสมอ รำหวังว่าเราจะทําได้แล้วก็มุ่งมั่นไปถรงที่นั้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาทดลองนะทดลองอะไรคนที่ประดิษฐ์หลอดไฟเนี่ยชื่อโทมัสอันวาเอดิสันเอดดิสันเขาทดลองประดิษบหลอดไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในโลกยังไม่เคยมีใครทรํามาเลยทดลองครั้งที่หนึ่งก็ไม่สําเร็จครั้งที่สองก็ไม่สําเร็จแต่ก็จบไปเรื่อย ทดลองมาเก้าพันเก้า้อยเก้าสเก้าครั้งเก้าพันเก้าร้้้าครั้งไม่สำเร็จเพื ering, ่อนนักพิณเสียงก็เลยไปแซวบอกเอเดิเองจะทดลองทั้งที่หนึ่งมื่นไหมาทําไมล่ะเอดิถามว่จะถาทําไมทดลองทั้งที่งหมื่นเอาเป็นอย่างนี้ไงเพือว่าถ้าเองทดลองทั้งที่หนึ่งมืนมันจะจํามันจะได้จาง่ายเลยว่าเองล้มเหลวหนึ่งหมื่นผลโอ้ไม่เคยมีใครทำมาขนาดนี้เลยหนึ่งหมื่นผลจะพูดสี่ทางไป edis ั่นเก่าเป็ไงกันจะทําแต่ถ้าไม่สําเร็จก็ไม่ชื่อว่าล้มเหลวถ้าไม่สําเร็จการจะคิดแต่ว่าได้ค้นพบวิธีไม่ต้องทําหลอดไฟหนึ่งมืนวิธีอเออที่ขึ้นมาเนี่ยคืวิธีไม่ต้องทําที่เหลือคือวิธีทำํทำทามันต่อไปอดอดทนอีกมีความหวังอีกต่อไปจนสำเร็จเดี๋ยวทำหลอดไฟแล่วเขาแท่ถ้าเขาหมดกำลังใจ้วไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นคนที่จะทำอะไรเขาเองเขาจะมีวิธีคิดภาษาซักจะเรียกว่าปุปปาทกษะมานาจิการเหมือนกับพระเจ้าคิดปุปปาทกษะมานาจิการนั้นแปลว่ามองแง่ดีเรื่อมัอนเพราเราทำได้ มันนติการแปล ว, ว่าทําให้ในใจบอกกับตัวเองใส่ใจไว้อุปาท각แปล ว, ว่าให้เกิดผลดีขึ้นมาแปลง่ายๆแล้วคือว่าคิดในมรนาติการก็คือคิดอุปาท각แปล ว, ว่าให้เกิดผลที่ต้องการแล้วว่าคิดสร้างสรรค์คิดในทางบวกคิดปลุกตนเองคิดได้อดทนถ้าเราคิดนะตอนทังเกตไม่ฟางคิดคนมันสาคัญนะถ้าคนบางคนจะเป็นเขามีเรื่องแล่า เรืวองจริงเขาสูงเห็นเพื่อนปีนก็ปีนตามไปยิ่งใหญ่เลยไปยิป็นขึ้นไปป้าบอกว่าไอคนแรกมันก็ขึ้นไปถึงนะพอป้าก็อ่าไอคนหลังเนี่ยปีนขึ้นไปนะปีนปีนไปทีมันย็นหลังย็นหลังแท้เนี่ยลมวิววิวลมลดูที่เราปีนมาถึงไหนโอ้โมองไปมันลึกเลยตกไปสงสัยกระดูกออกนอกเนื้อตายแน่แล้วจะเหยียบผ้าัำไง พอาคิดไม่เป็นผู้สมนั่นนั่นแห ล, ละก้าวขาไม่ออกเลยวไอนี่โอ้โหไอ้นี่มันจะหักหรือเปล่านู่นในก้อนหนี่ถ้าเกิดจับร่วงพลอยลงยไปตายประเด็นนี้มือไม่ยอมงยื่นเลยตีตีมาต้องท้อแล้วนะไปไม่ไหวจับแน่นเลยนะกับเกิ่งไม้ต้นไม้อะไรแถวนั้นบันไดแ่วนั้นร้องให้คนช่วยแกไม่ออกเลยนะกว่าวไฟหน่วยกู้ภัยจะมาช่วยกี่เวลาครึ่งชั่วโมงกวา่า มือนี่แกะไม่ออกพอออกไปเพื่อใจวายตายใครทำาึงตอนแรจะปีนมาดีๆใช่ไหมเกิดไปดูก็ไม่โอ้เพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่เราคิดถ้าคิดว่าฉันทำได้เดินเลือนระบายเนี่ยคนตายรวดปีนรวดเลยนี้แต่ไปคิดเองวันนี้มันจะรอดหรือเปล่ามันแต่จะตายซะก่อนไอบุน บางคนาแต่เราคิดว่เดินเชยๆเลยนะไม้แผ่นมยอะเราคิดว่ามันจะตกมันไม่ตกนะม่ไเอียงไทเอียงฝาตูมเลยนะถ้าเดินไม่รู้น้อรู้หาเรามีพระองค์หนึ่งนะอยู่ต้นอยู่อินเดียมหาวิทยาลัยามาไปในทุ่งพระไม่ชอบโม่จะคุยนะเก่งนักผีก็เป็นตัวอะไรกับเป็นตัวโม่กัป็ัวเนี่เดินเออพบก่าโอ้ยตัวใหญ่เลย คุยหนึ่งหอยเลยนนทาที่เรียนนัะทท่านจะอยู่เรียนเนี้ยวันนันทาเดินไปคืนเดินสเนี่ยอ้แต่แล้วท่านคุยเพื่อนเนี่ยลงทาง้วันหนึ่งท่านเดินเดินไปกันคืนไปกันพระหลายองไปเยี่ยมลาเขามันบางเย็นๆเนี่ยตลามันตัดเท้าปุ๊บก้อยเลือดคลืนเพื่อนก็ร้องันี่ยง่โองคนีก็โง่กัดกุ้งนี่โอ้ยใายแน่แน่แล้วหาไปหน่ยไป ให้ช่วยปัญหาไหมนะจะรุงจะเร่งไปที่ที่วัดเนี่ยนะไปโอ้ยต้งตายแนน่มือจะรอดหรือเปล่าโยมจะได้เห็นศพหรือเปล่าก็ไม่รู้พอไปถึงเตเต้นคนคนโหยหนีแพ้เฉียวขึ้นเลยเนี่ยร่สาจะไม่ถึงเช้าเน่าเชียวใหญ่ไม่แน่ใจก็้วตายแน่ๆต่อไปเตเตจะตายด้จริงๆเฉียวกันในกรรมยและุงมือเฉียวเลยเนี่ยเพาะอินเดียมันชนบทถวนั้นไม่มีคลินิกไม่มีอะไรหอองพวกนี้เชียอในกรรมเน ี ế, nó, nó mà, hiện cho Ê, ่โลมาเนี่ยมันจมูมมันก็ยังไม่เห็นตายนะเช็ดฝนคมันี่มันก็ยางมีมันมูอยาไรเนี่ยมันดูแผลกันหน่อยมันเหมือนกับตะลาอาจจะตับเอาไปไปดูหน่อ่ามันอะไรกันแน่ยชัดเดินไปอะไรนี่ต้องมันใจกลับมาจะไหนมต้องเออถงมอมไม่มีพิรไปดูนี้มันยังอยู่ไปถายสองเดินเดินไปเจอตะลาเ่ามีเลือดทิบย นั่นแหะกอะแล้วนันลึงลเด็อะไรบารโดรนโรรจนนดด้เลยพี่พี่โดนจ้ไปเลยกรรมเงินเลือนให้เนไม่ให้เลยแค่นี้คนเราเนี่ยนะเพราะมันคิดว่าไม่สู้ไม่ไหวไมไ้ม่แรงจางกูกันตายครเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี่ยพี่ก็บอกว่ากำลังใจมาวาสนาก็าช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รัก กำลังใจไม่มาวาสนาก็ไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนายเพราะฉะนั้นสําคัญที่กําลังใจทั้งสามทั้งสี่ตัวที่อรามาพูดมาเนี่ยเป็นกําลังใจนะท่านจะอดทนนี่นะูอดทนเรื่องครามลบากเมื่อกี้พูดมาแล้วว่าถ้าจะต้องมีกําลังใจคือความหวังทีนี้พ่มีแบบหนึ่งนิวว่าทนเจ็บใจเวลาคนมาด่ามาว่าเราทนเจ็บใจนี่ต้อง เมื่อนคนไทยว่าเราเราเราไม่ปวดต้องมาผสมกระต้อสี่ถ้าทนลำบากต้องผสมกระต้อสองถ้าจะทนเจ็บใจนี่ต้องผสมกระต้อสี่จาระจาระแปลว่าสละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจเช่นความโลภแปลว่าเสียสละเช่นเราโลภเราก็สละความโลภไปโดยการใส่บาตรให้ทานเอาให้ไปความโกรธก็อย่าไปเก็บเอาไว้ที่จากให้อภัยเสีย ใครด่าใครว่าก็ อ, อให้อภัยเขาไม่โกรธเรียกว่าจากรับส่วนความหลงความโง่ทั้งหลายนี่เอาเอ า, เอาปัญญาเข้ามานะแต่สว่างเข้ามาความหลงมันก็กหายตลาดความหลงมันจะดีใจความจิกเกียรเออยากปไปไห้มันยมามก่อนมันมันยิ่งจิกเกียรอยู่แล้วเดี๋ยวผลขึ้นอเออเาอะไรเอาวิรยิยะเข้ามาความขยันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเช่นฟังโกรธ ควาโลภไม่ต้องพูดเราก็ทํางต้องตรจใช่ไหมมันเวลาโมโหใครว่าอะไรต่างๆนี่นะมันพอจะทนไม่ได้โมโหเพราะเราไม่เคยสลับเอทําไมไม่เคยสละบใครด่าใครว่าเนี่ยจังเลยนนะไม่เคยลืมสละคือลืมมันไปเสียลืมและให้อภัยเหมือนกับรถเนี่ยรถเวลาที่มันวิ่งเนี่ยมันท้องถนดเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปมันมีท่อไอเสีย ระบายสิ่งที่ไม่ดีไปจากเช่นเดิพอระบายไปนี่รถก็วิ่งไปได้คนเราที่มีความสุขสุขภาพดีนี่นะอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีทั้งหลายความทุกข์ความเศร้าความโศ ค, ค, ความติดหวังตรงแลดีทั้งหลายนี่จะไปเก็บมันไหมลืมระบายไว้บ้างเวลาใครด่าใครว่าอะไรโงทีคนหนด่ า, ดามันจะเลื้อยทะเลาะกันเพราะมันเก็บกนนดกบจังเลยไอ้พังที่งก็ด่าแอ้ด่ามากเลยโก็ยิงไปพอด่าครบห้าคนมันเลังรียจัดการ ทำไมเรารู้อะครับผมจดแฟรรี่ไว้จำไม่ได้วันที่เท่านั้นเาือนนั้นเดอนนั้นนั้นมันดาฉันมาดือนนั้นจดใหญ่เลยนะทุกวันมันทึกทุกคำพูดเลยนะตอินเช้าก็มาอ่านเลยนะจัควันกอดกอดอืมรวมคำไปเรื่ออ่านไปต่อบนคนต้องทดแทนความแท้นต้องชำระอืเอาไม่ได้แล้วแล้วเสร็จแล้วมันจะล่มได้ไงเหมือนกับอะไรเหมือนกับเพื่อนบ้านเรา ปาเม็ดตะเงียของเข้ามาในบ้านแทนนี่เราจะกวาดให้ป็นค้นบ้านนะตัวมันจะปลิลไปกับลมนะึกระจงกอ่อใสโหโลนะ่เลยในสะ่ติโตโตะทุกเม็ดเลยนะทุกเมล็ดเลยแล้วไปหาที่มาเหมาะในบ้านขุดเอาปุ๋้มาลงเพราะรดน้ำทุกวันทุกวันตําแยกันหว่างงอกขึ้นมานะออกดอกออกเมล็ดทมใครคันมาทีนี่เจ้าของบ้าน อมันคันหัวใจหลือโดนเนี่ยจำแยที่เขาโยนมาเป็นคาพูดบ้างเป็นสายตาบ้างเป็นท่าทางบ้างเฮ้ยลุกแล้วออกของคุณก็ไปเคาะใหญนอนไม่หลับเฮ้ยเรป็นคันหัวใจแค่เตะสองต้องโทรศัพท์ไปด่ามันไี่ได้หมุนคนที่ด่นนดาที่ว่าหลับสบายไปแล้วแต่เราเองไม่ยัมคันหัวใจอยู่เลยมันแค่นั้ทํยังไงไงแทนที่จะกวาดเห็นบนบนสุขภาพจิตยัง น, นีพวกนี้เสียสุขภาพจิตพุดงิต คันดำไยที่บ yeah. no okay, ้านมาทะเลาะกับลูกน้องที่ทำงานอเงี้ยโดนดำไยีงานมาทะเลาะกับที่บ้านอ่างเงี้ยโอ้ดำไยเติมมดโปไปทั่วหมดเอ้ามาปฏิบัติธรรมยังปะอีกโอยเมื่อไรมันจะหมดต้องจัดค่ะสละลืมทิ้งทิ้มันไปลบปรแกรมที่ไม่ดีถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ไปเก็บไว้เลยในฮดดิในแดิสคุณทิ้ทิงปฏิบัติธรรมฐานคืออย่างนี้แหละในพวันพรจิตของเรามันเก็บที่ไม่ดีไว้มากชำระใน เิ่งที่มันเป็นอสุศลที่เก็บไว้ในจิบของเราในกังวลเนี่ยเราออกไปเมื่อวัมจําที่ดีอย่าไปเอามันเอาที่ดีๆเป็นคนหมายกลับไปในอุ้งสมาของไสให้อภัยนึกยังไงเวลาให้อภัยผมนึกยังไปเก็บสองตธิบายพู้แนววิธีที่จะคนนี่แล้วเสียสลาดไม่กดใครนี่เรียกว่ามองแง่ดีอุปาถกับเวลาคนด่าคนว่าอะไรเรานี่ยบางทีมีวิธีเนี้ย อย่าไปเก็งไว้มันมากปล่อยมันไปช่างมันช่างใครชอบใครช่างช่างเถิใครเชื่ใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอต้องช่างเถิดให้ทันเะี๋ไปช่างเถิดมันะเอาเวลาเพราะคนด่าคนว่านั่นนะั้น ไม่ใช่คนน่าจ so ้างให้ทํางานนะเราต้องช่างเถอะช่างเถอะไปทำสักทีได้ได้แล้วอยไปใช้ธรรมะมั่วช่างเถอะที่ใช้ใี่นก็จมีโลกโลกก็ต้องรู้กับตรงมันอย่าไปเอาทุกอย่างได้แค่มาอย่างเดียวบางอนเนี่ยงคนมันจะเอาทุกอย่างเลยนี่จับลาสองมือนี่มันจะเอานึ่นที่เอาลูดไปหมดเลยถ้ารูดไปก็ต้องช่างเถอะปล่อยไปหาใหม่ได้แต่บางคนนี่พอโลกแล้วมันผิดหวังเป็นไงเคยไม่เคยตะลุยเลยเนี่ย จะอยู่เป็นโดนเขายึดทรัพย์สิน ล, ล้มละลายหมดเนี่ยทำใจได้ช่างเถื่อนไม่ได้ป่อยไม่ได้สมาเคยไปเจออยู่แถวโรงพ ย, ยาบาลศรีสัญญาเป็นพวกบ้าหอบฟางถือแฟมอ้มเนงินเดินแต่งตัวโปนะ้นั้นรู้ไม่รู้เลยเนะี่ยวันนั้นสมมาจะไปบรรยายไปนั่งรออยู่ข้างหน้าเขายัางจัดห้องไม่เสร็จแกก็เดินเดินงินถือแฟมนะ้มเงินผู้ชายวางาคนนั้นแต่งตัวโปนะ้เนี่ย พมาเห็นพระก็แกก็เปิดแฟ้มเลยแล้วก็มองทำไมมองมานานเลรู้ว่าคนไข้ไกหายมาปดพระนึกวานึกว่าแกตาหาคนแข้ดูหุ่นได้ไม่ใช่ดูใครยาบานะมองมองใจใจเลยมีปัญหาอะไรโยมของหายอะไรอะไหายโยมมะพร้าวหายโอ่โหโล่งใจเลยนีกว่าคนหายเออมะพร้าวหาย ลูกขอพลานรียมไม่ใช่ต้นเหล็กพลาทำไมหน่อมันและหน่อมันไม่ใ ช, ใช่ต้นใหญ่ลูกเต็มคอเลยไม่รู้ไอ้มือดีที่ไหนมันขําไปแล้วเดี๋ยวก็คุรรมคอมคอมนี่ใครจะมาขโมยเพราะต้นใหญ่ลูกเต็มคอคจะไปได้ยังไงนี่เดี๋ยวเราจะถามต่อพอดีพอดีพยาบาลเดินมามาคว้าแขนคนคนนั้นไปในห้องคนไข้ อ้าวถึงไม่รู้ว่าเป็นคนไข้โดนเพลิงไหมแต่พักหนึ่งพยาบาลก็เดินออกมาแล้วก็ขอโทษขอโทษบอกว่าที่ปล่ยให้คนไข้เปิอไปหน่อยคนไข้เลยมันรบกวนท่านเขาอย่างนี้เลยค่ะสมบัติเขายอะใส่เงินชีเต็มหมดเลยนะแต่ก่อนเขาถูกโกงหมดตัวเลยบ้าบ้าหัวฟันมีอะไรก็จดใส่านสมบัติกันนั่นเองวันนี้และของหายุ้กวันนันวันนี้ยังมีน้ำมะพร้าวหายเมื่อวานแกบ่นว่าถนนสุขุมวิทจะหายไปทั้งสายเลย ไม่แกันส่รู้เพีย่ยุ่งเนี่ยเนี่ยเกเสรเนี่ยอะไรต่างเนี่ยของแกนนแตนนั s นสเอเชียเนี่ยตอนแบงแนั่นที่ม่มีของคนอื่นในของแกเยเนี่ยตัวนี้ไม่ยอมชั่นเกิดตกโลกตอนัแกไม่กังวลในโลกมาพอได้อะไรถุงหวยลาเต้เนี่ยช็อกเพืไดนคัอย่างนี้ก็มีนั่มีมีลุงคนอ่นใน่ือลเตมา ใบหนึ่งให้ลูกชายไปตรวจผูกดวงวันที่หนึ่งด้สามล้านไม่ให้ลูกชายไม่กล้าไปบอกพ่อพ่อตัวพ่อช็อกพ่อเป็นคนที้ค่อนข้างโรคก็เลยไปบอกพระหลวงพ่อหลวงตาที่วัดนะหลวงตาที่หลวงตาหลวงตาไปบอกพ่อหน่อยที่พ่อถูกวยเนี่ยเนี่ยให้พ่อช็อกตายนะบอกธารมะกันไปด้วยหลวงตาไม่มีปัญหาเขารู้จักพ่อเองแต่หนูนิดสุดตอกเกล็ดกระได้หนัก ผมยวนทำไมทําไมให้ล้ำตาไปพอไปเจอเรืองก็บอกโยมโยมเป็นไงน่ะมาเต็มที่ครับจนแล้เกิดเออโยมสมมติว่าโยมนี่เงินสามล้านบาทนี่โยมจะไปทําอะไรโอดีที่ครับจะได้สามล้านบาทนี่ร้านแรกที้ผมจะเอาไปฝากธนาคารกินดอกเรียยามเสียณนะครับโอดีไม่ประมาทนะไมประมาทแล้วร้านที่สองนี่โยมจะไปทําอะไรล้านที่สองี่ผมมีลูกชายอยู่คนเดียวนะครับผมจะให้มันไปลงทุนทําธุรกิจอ่าหรืออีกร้านหนึ่งโยม ล้านที่สามนี่โยมจะทำอะไรแม้ผมก็มีมิญญาที่ไหนนะหลวงตานะมีแต่ลุงตากต่นันดิผมรู้จักมานานแสนนะ่ะผมว่าจะถวายลุงตาเะยร้านที่สามเนหลวงตาพอได้ยินถวายร้าที่สามเนี่ยช็อกพุบไปเลยแล้วลางยืดไหามตัวเลยบางทีเหมอันโอ้จะได้บอกเขาด้วยว่าชันเคยชันเคยลุงตาเป็นได้อ เ, อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไอ้เรื่องย่างนี้มันอยู่ที่ธรรมาะในสสอนเลย บทตอนนี้ไม่ใช่ยัอยู่แล้วก็จะไปจากักสลักกันได้โอ้ล้านเดียวไม่ถึใจเไม่ไปกันแล้วเป็นตัเองแตนี้ในในเรื่องนี้เนี่ยท้าถึงหลายพูด ถ, ถึงความโกรธนะความโกรธมันโกรธนี่ไม่ใช่ว่ายัอยู่เราจะไปให้อภัยกันง่ายๆเราจะให้อภัยเขาต่อเมื่อเรามองแง่ดีบ้างจะช่างมันช่างมันแต่บางคนทาไม่ได้นะ้วมีหลวงพ่อโดนยกยุ่ม อย่าไปโกรธกันนะใจดีๆว่าไปทํางานมันก็ะทบกับทากันนี่วิธีทําใจเอย่างนี้ซื้อตาช่างไปไว้ที่บ้านแต่ช่างในสมัยโบราณนะไม่ใช่แต่ช่างแบบที่มันมีหน้าปัดนะตาช่างสมัยโบราณที่มีถาดสองถาดเลยนะแผลอย่างนี้แล้วก็เอาเอาเอาอะไรมาใส่ให้มันเท่ากันนะตาบอกว่าหลวงพ่อก็บอกว่าอันนี้นายโยมนะตาช่างนี่นะแผลให้มันเท่ากันนี่นะแล้วเอาหัวมันมาใส่สองหัวได้แล้วหัวช่างทห้มันเท่ากันอย่าให้ตาช่างมันเอียง แล้วเวลามาทำงานนะก็นึกถึงเวลาถูกใครด่าก็นึกถึงตาช่างที่บ้านโดนหัวหน้าด่าก็นึกถึงตาช่างที่ใส่หัวมันแล้วก็บอกช่างมันช่างมันเนียโดนด่าแบช่างมันฮู้เนี่ยด่ามาก็ช่างหัวมันหัวมันดีกว่านไม่ได้โัวคนช่างหัวมันแต่บางคนก็ไปทํำยังไม่ได้ผลมาคืนพระถานทำไมบอกท่านท่านท่านไอ้โต๊มันด่าแม่ผมก็ช่างมันช่างมันได้ ข้มันหนามากๆผมพอจะเผลอสักเผลออะไรอยู่โผลอว่าช่างแม่มันไม่ไม่สําเร็จโอ้โหอ่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยฝึกคิดปุกาตางบริดาตานี้แต่ว่าคิดแง่ดีคิดแง่บวกมองเป็นเรื่องดีเรื่องขำเรื่องอะไรไปบ้างมาไม่มีบา ร, รมีไม่แกใครมันกาลังทํางานอยู่มีเสียงลบเสียงการมาไหนมีบา ร, รมีไม่แกผมนีเสียงเสียงมนัน ทำไปเรืเลยอย่างนี้ก็ได้อาสัยธรรมะคิดหรืออย่างบางคนหนูคิดยังไงยานท่านนาวาเอกพิเตอร์ออนมุญญพันจันอ่อนเนี่ยนะจะมาไปบรรยายธรรมะในการที่นครสวรรค์บรรยายครับฟังแต่แล้วจันอ่อนขอนั่งรถกลับมาด้วยก็คุยกันหลายเรื่องนะ <S <S เรื่องเหมือนกับจัอ่อนเขาคุกว่าท่านท่านท่านผมต้งไปเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มานี่ยนะไม่เคยถูกใครด่ามาเลยตลอดชีวิต อาตมาหลบอกระจายเยอเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเอ็ดแล้วครับเป็นไปไม่ได้คนเกิดมาในโลกมันต้องถูกด่าทุกคนอาตมาว่าเจ็ดสิบเอ็ดแล้วพระโถงแต่เด็กหนึ่งบวกยังบอกว่านี่เจดสิบเอ็ดจะไม่มีใครด่าได้อย่างไรพระเจ้ายังโดนด่านัตถิโลเกอันนินที่โตคนไม่ถูกดา่าแล้วมีในโลกอาตมาว่าอย่างนั้นอาจารย์อ่อนบอกจริงท่านไม่มีใครดา่าผมเลยนะท่านจะเกิดจา ก, ด ก, ดกท้องพ่อทั้งแม่ไม่เชื่อ จริงท่า่อาวาที่ไปด่าพ่อะไรจะอธิบายอาจารย์มีของดีไหมมีมีอะไรพักจากเสร็จอะไรหรือเปล่ามีคาถาคมหรือเปลคนที่ไม่กล้าดา่าไม่มีท่านแต่คนมันไม่ด่าผมเงเอาเรืองอาจารยไม่เคยทาให้ใครโกรธเลหรอือภรรยาเขาต้องด่าบ้างันยก็แต่เป็นตัวผมมันก็โกรธผมนะแต่มันไม่ด่าผมหรอกเวลาโกรธผมนะท่านอาจารย์อธิบายมันไม่ด่าผมมันไม่ด่าพ่อผมด่าแม่ผม ท่านก็าตายไปนอนเลยเออบางทีมันเป็ดาวว่าพ่อด่าแม่แล้วยังเห็นผมเฉเฉยเลยนะมันก็เลยด่ดาเปรตไม้จะเปตวัดไหนอีกผมก็ไม่เคยมีญาติเปรตด่าเปรดตรด่าสด่ารกผมไปส่องกระจกดเหมือนก็ไม่ใช่ผมที่ท่านแลวผมจะปไปกดเทลุกเฉยเออคิดแบบนี้มันก็สบายใจแน่นอน นี่กาอุปาทักะพนทศิกาพระพุทธเจ้ายังคิดเลยมีไหีมีคิดนะพรามกันหนึ่งไหยเลี้ยงพระไ้ยเลี้ยงสามเป็นคนนัถือศาสนาพรามภรรยานับถือศาสนาพุทธนัถือพระพุทธเจ้าถ้าหลังางานที่ยุ่งแ้วเดินเยพอถึงถึงวันทั้งพรรทายหักสามีก็ไปเชิญทางมาทำบุญม่นบนพระพอถึงวันทั้รของภรรยานะจะทาบุญทไมไปนบนพระมาพรามไม่เอา วันนั้นปรากฏถึงวลาระฝ่ายสามีไปเชิถามมาเลี้ยง 108. ยร้อยแปดแม้ภริยาต้องปรุงอาหารเอาไปเลี้ยงบระเตนถือจานข้าวไปนนไปกระเคนกาลังไปเสิร์ระเตนให้พามกําลังต่อทานกําลังจะไปเพิ่มคนนั้นเนี่ยภริยาถือจาไนไปท่าไหนก็ไม่ทราบไปสะดุดจานล่นคึงคลึงคลึงคลตกใจคนมองกันหมดเสียงดังนั่นบ้าน แกตกใจแกก็เปลง่งนุูทานแบบผู้หญิงถ้าบ้านเราพระองค์จะบอกว่าให้คุณะช่วยแต่แกก็เปล่ยนรูทานเป็นผู้สามัญรีพะพูดผู้สามัญรีแกบอกว่านะโมตัสสะภะคะวโตระะโตสัมมาสัมพุทธาสะยาดเลยแนะม้สามันั้นโตทุกข์ตี่เล่าที่กินของพุทธัสะบ้านนี้มันพวกมิชชาที่ถิถือสมณโคดมเอาเรามาเลียงเทนได้อย่างไรเดี๋ยวมันใส่ยาพิษตาย ก, กันหมดเรื่องเลยจะไปกินบ้านคนวิชาที่ดีพวกเดรริ ยกขบวนหนีตัดกลางงานเลยลองคิดดูสามีจะคิดยังไงโรพราะาภรรยายิดแล้วนี่ทำลายวิธีกันนี่ตัวเอ ง, น, เ ง, งนีดหน้าเราวลาแงานนี่มุมหน้าเราไม่ไปยุ่งน น, นี่เวลาเราเชิญทางมาทำไมต้องมาแปล้งกันนี่พูดถึงพระเจ้าทำไมบอกแล้วทลปรีนั้นไปจะตกนึกได้ว่าตกที่ไรสู้ภรรยายไม่ได้สักทีหัวคันอืไกกรโอ้ฟ้ากระบอกเลยเล่นงานกะต้องเห็นดีกว่าไปหาพระเจ้าอ้ทักพรเจ้าสักทีสั ก, ทสกเที่อววัเลย ถือกระบองไปเดินเดินเดินไปพอไปถึงวัดหมาพุทเจ้าอยู่ไหนถือกระบองเลยนะสั่งเลยนะเนี่ยเจ็ถพักก็ไม่่อยป้องกันเลยนะเพรถือว่าพุทเจ้าอย่งไงใครก็เตะเนี่ยแต่สมัยนี้ไม่แน่ไปหาเจ้าวาดไปทั้งดูให้ดีนามันสั่อะไรตรงๆมาเดี๋ยวจะเหมือนจังนจัวัดบุรีต้องช่วยๆกันแต่ว่าสมัยโู้นิพเจาอย่างไงถือกระบอกตั้งโดนอ่ะพอเจอพเจ้าแล้ว ขยับก็มองพี่ชาถามว่ามีอะไรหือฟางเขบอกท่านถามสักพอนอิดคนเรานี่นะข้าอะไรมันตายไม่ได้มึงควรจะมีความสุขนะแล้วข ย, ยับก็มองแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยมันก็โรามนถ้ามาถามเรารถ้าเป็นเราก็ดูดูก่อนดูเพลนทั้งนลายที่นี่โมนี่มเพียนเหลือเกินข้าอะไมัไนตายไม่ได้ทมันจะมีความสุขพี่ชายกล่าว่าโกทันคตวาสุขันเสติก ถ Anne, ้าความโกรธในใจของคุณเกิดได้แล้วมีความสุขอกถ้าความโกรธในใจคุณเกื่ได้จะมีความสุขไม่ยอมหายเนี s <S <mud ées dan ne ified> ่ย <in> ด <Pennsylvania> ่าพระเจ้าใหญ่เลยดอด่ด่ด่าพระเจ้าก็ฟังช่วยด่าจนเนอพ้นด่าเหนื่อยนี่มันไม่สบายใจขึ้นนะมันสบาใจนะพอสบาใจมันหยุดชักสงสัยี่ถ้าอิจฉาบุที่ไหนด่าจนเป็นชั่วโมงเลยยังนั่งชย ก็เลยถามนี่ท่านท่านดาวาาดักษณะตะมุงโกนี่มรู้จักโมโหบ้างหรือไงไม่เกิดเพิ่นนะคุณเจ้าอะไรถามบอกตามวันนี้ที่โมโหเป็นปืนเป็นไฟเลเนี่ยเพราะว่าจัดงานที่บ้านแล้วปรากฏว่าเตรียมอาหารไม่เพียงแขกที่เชิญมารับประทานนี่หนีกลับก่อนไม่เชิคไม่ทานอาหารใช่ไหมบอกว่าใชา่ถามตามหมดเวลาที่ท่านเตรียมอาหารไว้ที่บ้านเนี่ยแล้วแขกที่เชิญมาไม่รับประทานเนี่ย ถามหน่อยแล้วอาหารที่เหลือนี่ใครรับประทานโ อ, อ้เราสิเราพเพื่อนเจ้าภาพเราก็รับประทานเองที่กลับไปไม่ต้องใครใครทานกันเละกินเองใครไม่กินอยา ก, กินพระเจ้าเหมือนกันเลยลครับคําด่าที่ท่านสันมาด่าเรานี่เหมือนอาหารที่เตรียมมาเลี้ยงแขกบังเอิญแขกอย่า ง, ง, งอาตมาไม่รับประทานคืนเจ้าภาพขอให้เจ้าภาพคืนกันเลยนว่าไปเลยเนอะวกคือเลยถามเขบอกเอ้า อ, องนี้ดีเนี่ยพระเจ้าอะไรเทศเทศเทลยหายรับถือพระเจ้า คนเราเนี่ยถ้าเราอดทนฟังเขาด่าเขาบ่นก็ได้นะบางทีก็ดีเหมือนกันเพอาะเาหายโกรกแล้วเดี๋ยวพูดก็รู้เรื่องสำคันพอเขาแรงมาเราก็พบไปทันทีเลยมันคนอยู่ไม่ได้พอเริ่มบ่นขึ้นมาแต่เนีมันในไหนเมื่อกี้พูดถึงลิงควนนะลิงควนเนี่ยตอนที่ประกาศเลิกฆาเสฝ่ายใต้ไม่ยอมกบดยกทัพมาลบกาเนี้ยที่ลิงควนเป็นประธานาธิบดีอยู่กบดตู้กันปรกในคนของ ริงคอนเนี่ยในคนรู้ลิงคอนมหาทลิงคอนบอกท่านท่านผมโกรธไอ้่นในผมได้ใกันหนึ่งแล้วเกินมันด่าผมเลยนิ้าผมรับหลังดี้ดยอยู่ในยานสงครามะถ้าไม่ในยานสงคามะผมทะเลาะกับมันนะแต่นี้เรายังต้องรบด้วยกันแต่ผมก็ไม่อยากจะรบกับมันเลยนะท่านอยากให้ผมทำยังไงดีเนี่ยผมบอก้องท่นกว่าเะท่านจให้ผมทำยังไงลงโทษมหน่อยได้ไหมท่านจัดการมันหน่อยลิงคอนบอกเขาด่าคุณมากนะเยครับ แล้วคุณเคยตอบต้หรือ auction, ยังยังแล้มันด่าฝากคนนนนนี้มาเลยผมหนวาต้องสารพิการผมเลยไม่อยากด่าเพราะคุณยังไม่เคยด่านั่นเองคุณเขียนจะหมเป็นไมจิงนว่าเป็นครับเอากระดาษมานี่ครับคุณเขียนเลยบอกว่าเขียนที่ประหานาธิบดีธรรเนียประฐรนบเลยเขียนด่าเพื่อนคุณนั้นให้จิงชี้เลยให้มันสะใจเลยได้ีครับแต่ประธนาธดีอนุญาตผมขอด่ามันเลยว่าล่ยาวไปสองหน้าด่ามันทุกคนแต่นครับ พอเสร็จแล้วประธานาธิบดีถามว่าไงเสร็จแล้วดูหน่อยสิประธานาธิบดีก็มาอ่าอหอ่านฟานังไม่ได้เลยเือแต่และคำนี่ยาวเสร็จ แ, แล้วประธานาธิบดีแต่แล้วคนเสียหมดอจผมทายังไงต่อไปครับเออมีไม่เขรไหมประธานาธิบดีว่านี่ครับคุณจัดการเผามันซะอาทไมนะครับกพระตอนนี้คุณส บ, บายใจไม่ใช่เลยเขียนดาแล้วมันส บ, บายใจขึ้นเม่อโลกขึ้นโลกขึ้นครับยิ่งมาด่าให้ประธานาธิบดีรู้นี่ผมสบายใจเลยครับ อ้าวงั้นเขาทิงไปแลหลังคุณไปอยู่นะตอนไหนสงบสงบใจดีนะค่อยเขียนชี้แจงเขาอะไรที่คุณไม่ผิดค่อยพูดเป็นหม่ทีหลังอย่าไปเขียนกันตอนที่โมโหทำได้ไหมได้ครับผมรู้แล้วทับเหมยตอนนี้มันหายโมโหแล้วผมอ่านในที่ผมยังทนอ่านไม่ได้ในที่ผมเขียนน <laughs> ี่เท่าที่กว่าโอ้โหแล้เป็นเรื่องจริงผมตายเลยเล้วไปเผาเลยเห็นไหมเนี่ ย, าายบางทีมันมโห ก, กท่านจะไปเขียนหนาใครทันที หรือดาบพุ่งออกไปนี้ยังคิดตั้หน่อยอดทนได้หน่อยหาตุ่มเล็กใหนึ่งมาเหมาะแล้วก็มุดหัวไปใส่นั้นแบบตะโกนด่ามาให้เต็มที่โมโหคนหน้าด่าใส่ตุ่มแต่แย่มันรอกนะได้ยินหรือยุ่งเนีเพรในนั้นเนี่ยคือคกบจับนะในลักษณะนี้แต่นี้คนบางคนเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดอย่างที่เหมือนกับพันเอกนาวอิสพิเตออ่อนเขคิดในเงีบวกอดทน ในสมัยไม่จ้ามีพระอยู่หนึ่งไปพบชาวบ้านที่จะไปลาบุรีเจ้าไปพดชาวบ้านตุนนาปันตะปะชาวบ้านตุนานาปันตะปะนี่ดูจริงๆพระไปอยู่ที่องคง์พระเทาก็ติไล่ตับหมดเลยเหมือนแบบแถวอนริสงหน้านี่หมดนู่นไปทําได้หนีตายแล้วก่อนนี่ตกกลับไปเลขเจ็บองนะมีพระค้องคอกันหลายลูกฮึสู้แต่สู้ แต่ไม่ต้องห่วงเื่องเพราะมีมียามเป็นทอสอยู่เขาบ้านอยู่ได้ใเนี่ยเป็นพลังเป็นเป็นังผู้หญิงนั่งพกปืนโดนตะเวนให้พระแล้วมีออดถ้าใครมาเกิดประตูเนี่มันเขาเรียกว่าอารามเนี่ยดังไปถึงบ้านนั้นเลยทีเด็กเดินบางทีจะวิ่งก็คือกระหอบสามีก็ถือบืนมาปพราะว่าอารามมันมันมันมันแกงมันอยู่อมันดังขึ้นมาเฉยเฉยแต่ก็วิ่งมาพระก็วิ่งลงมาตระการจะกินหลายวันต้องเรียกมาต้องตอนนี้ท่านอยู่สบายกันไหม ในมีมนปัญหาเกิดขึ้นตัวแต่จะมีคนปลุกกับปลกกับจากพระคนก่อนๆแต่ก็ยังไม่เห็นมีนะ <c oughs> ีะก็กดมนต์ให้พรกันไปแล้วนะเติมไม่ะตะโกนแต่ะตะโกนเพื่อนด้วยกันแต่ก็ตายไปนะ้ม่มีปัญหาท่านแล้วบอกว่าท่านคนนุณณจะไปกรวชาวบ้านที่เมืองสุราคฎ ร, <c oughs> ร์นาคราชปะกไม่ใช่ฐานของเธอคนนุณณเธาไม่รู้หนูว่าชาวบ้านสะดวก ไล่ทั้งกลับมาหลายองค์ฟาหัวแตกมาหลายองค์ด่าด้วยบอกตายถ้าแต่พระมุทธเจริญ <c oughs> ถ้าเธ อ, เธอไปกาบบ้านด่าเธอเธอจะว่าอย่างไรข้าพระองค์ก็คิดว่าเขด่าก็ดีกว่าเขาเอาก้นหนึบฟ้าหัว เ, เขาเอาต็นหนึบฟาหัวเธอเขาเอาต้นหนึบฟ้าหัวก็ดีกว่าเอาไม้มาตี <c oughs> คิดแบบง่ายดีไหมถ้าเขาไม้มาตีเธออะ แต่ดีอก็ดีไม้มาตีก็ดีกว่าเอามีดมาฟันเอามีดมาฟันเธอฟันให้บาดเจ็บก็ดีกว่าฟันให้ตายพขเกิดเฟันเธอตายเนาะเขาฟันเราตายก็ดีกว่าเราฆ่าตัวตายไม่ได้ผมไปได้ไปได้เพื่ออย่างนี้ตอบ่านเออไม่มาโผล่ไกลไม่เกิดภทยเราทําใจได้นะสมมติว่านะมองให้เป็นเงี้ดีกว่านะถึงว่าเราเดินไปบนท้องถนนเลยนะ ออกไปแนาบ้าไม่รู้หมาที่ไหมันมาเห่าเราหมาเห่าก็่าดีกว่าหมากัดบางคนว่ามันกัดกัน่ะหมาธรรมดากัดกันดีกว่าหมาบ้ากัดไหวรึอย่าไปเอาเงินกันเต็มมันต้องถ้าเป็นเราเองที่ไปเอาไม่ทันกัดระตัดเลยเรื่องอะไรจะไปทนใช่ไหมสมมติฉันเดินไปไหนเดินบนถนน ตาบอาไม่รู้เด็กตอนตอที่ไหนเนี่ยมันตาก็ม อ, อิดมานี่จันรู้เลยเลือดไหลเรามุดปิดหน้าไปหาคลินลิกหมอที่ใกล้ที่สุดทําใจดีดีไว้มองแง่ดีพอมือพอหมอก็ดึงมือออกตรวจเขาบอกโอ้โหเลือดไหลตัวไม่ดูี่ตามบอกบอนแล้วก็บอกโอ้โหหมดวีเลยนี่คิ้วแตกขนานั้นะเลือดมันไหลกบเลยคิ้วแตกเลยเราก็บอกไายโชคดีนะหมอที่ตาไม่บอดบอดเจ็บเล็กน้อยเป็นไง แทนที่จะไปบ่นมันสวยมันมันโดนเนี่ยเพืเช้าต่อเมื่าก็โดนภรรยาด่านี่สูกตาหวยเงินเงินก็ถูกตัดบนตาล้วบอกโอ้แค่บาเจ็บเล็กต้ายตานบอดดีนะถ้าเกิดเราวเตอนเอามือปิดใจเนี่ยนะหมอเขาเปิดมือเราเราก็ทำใจดีดีว่าตัวเขาตปวดแล้วเขาบอกโู้โบกจังไม่ลยตาบอดสุดๆเลยนี่ เราก็บอกโชคดีนะที่บอดข้างเดียว <laughs> มนอกเป็นข้างนีงเนี่ย <privilege> ยิ่งสบายดีเลยเห็นไหมมองแง่ดีไว้เขา่าเขาดีกว่าเขาตัดเงินเดือนเขาตัดเงินเดือนดีกว่าเขาไล่ออกเนี่ยเนี่อย่างนี้มนก็ยังพอได้ที <c oughs> คนเรื่มมองแง่ดีนี่นะมีพระอีกอหนึง่งใครอยู่แถวจังหวัดอุดรธานีลองไปกราบท่านอยู่อยู่ใกล้ใกล้หมด วัดนม่ชิมาว่าพ้ดีโนดีเนติกปะกันหนึ่งในท่านเดินในท้องถนนแดกร้อเปรียงเปรี้ยงนะทโกมัน่แถวอ๋อ้ยพระเจ้านี่วัดวามาอยู่แดดร้เปร้ยงเรี้ยงอยู่น้เปนผาอยู่ไหนหลวพ่อบอกไอ้นู้นแดดร้อนมังจดีเนาะไม่โจรเดวันหนึ่งมีผู้หญิงใบกลางคนคนหนึ่งร้องไห้กระเซจเตยมาหาลวงพอหลวพอถามหนโยม เป็นอะไรไปแบบล้วรองห้มาเชียวสามีอีกชั้นเจ้าข่าเขาตายไปแล้วหงพ่อหลุดปากเตายก็ดีเนาะ <c oughs> โกจริงๆเขาได้อะไรเสียใจเพิ่งเสียสามีแล้วยังมาตายก็ดีเนาะดีเนาะพระที่มันไดาจริงๆด่าเลยห ล, ลวงพ่นีลบดากจะแท้บ้ก็ดีเนาะไม่โกเลยวันหนึ่งในหลวงราชการที่9เจ้าเสด็จไปทอดกรเถินหลวง ทงวังก็ไปักซ้อมนจะต้องทำยังไงอะไรยังไงแต่แล้ววงเขนึกหน่าหลวพ่อเขาชอบพูดดีเนาะก็เลยถามหลวงอหลวงพ่อเกิดในหลวงมารักษาโทษนี่กบบหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อจะตอบในหลวงยังไงหลวงพ่อบเฮ้ยดีเนาะไม่ได้ะโอย่าดีเนาะนะหลวพ่อนะเป็นเจ้าฟ้าจคุณี่ต้องพูดราชาศัพท์นะแล้วเขาพูดยังไงขอถวายพระพรมหาบพิธยากยากากไได้ท่องดีลพ่อท่องฟกระท่อง ขอถวาระพรมหาบุพพิตรเขากพรมหาบุพิตรไม่ถนัดปากเลยพอในหลวงมานะถวายของแล้วก็ในหลวงก็ถามนุ่นถามนี่หลงขอถวาระพรมหาบุพิขอถวาพรรมหาบุพิลัก็ว่าพดอยู่ได้สองสามําตอนหลัพอในหลวงว่าอะไรเออเอาตามที่สนัดที่กว่าพอใหลวงว่าอะไรก็ดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงผลตกแตกน่นีเนาะย็นดี แต่แล้วแต่แล้วพระบอกว่าในหลวงมองหน้านะเอ๊ะพระไมพูดปแปลกๆนะดีเนาะดีเนาะออกมาจากบสถ์ก็เลยมาถามในบ้านทาไมพระจะพูดดีเนาะก็รู้ว่าหลวงพ่อมไม่โปรธก็เลยเรื่องใสามากปีนั้นกลับไปกรุงเทพก็เลยเลื่อนสมณศักดิ์ให้ท่านจากชั้นรากขึ้นเป็นชั้นเทพเป็นหวพ่อของเราเลยชั้นราษขึ้นชั้นหนึ่งเป็นชั้นเทศพระบอกหลวงพ่อคนนี้เนี่ยได้ชื่อใหม่ในหลวงตั้งให้ ชื่อใหม่ของท่านเขียนทว่าพระเทพวิสุทธาจารย์มีใช้ยาท่านพระเทพวิสุทธาจารย์และมีต้งไอย่างนี้พระเทพวิสุทธาจารย์สาทุกภุทานธรรมวาทีเนี่ยแต่นี้ วาทีก็เล่าวอุทานก็ทำเมื่ออุทานสาธุปแปลว่าดีเนาะที่เราก็่าสาธุนะเนี่ยแปลว่าดีนเนาะแค่ดีจริงเนาะสาธุนั่นแหละสาธุเดียวตหลั ง, งตลอดไปมีองค์เดียวที่ชอบพูดอุทานว่าสาธุสาธุอุทานทำเมอวาทีสลก็ว่าอันนี้เนะนี่ยลุงพ่อองคนีเนี่ยยังยังดีไว้าอีกองค์นึ่งนะ องนี้ก็ไม่ใช่ไมดีนี่เพิ่งเรื่องเป็นชั้นเจ้าคุณเมื่อวันที่สิบสองสิงหาพระาารพ่อกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าคุณอยู่แถวน้นด่านถึงพศหลงวงพ่อคูอใครอยู่แถวนั้นผงกรก้จิตเดือดชอบนั่งยำยองแล้วงพ่อคูนที่เวลาพูดเนี่ใช้ภาษาเต็จปากอยู่ภาษาหนึ่งคือภาษาพ่อคุณเราปูมุอทุกทำกับทุกว่าในการถวัตคือปูมือทุกคนแหละปูมุอหมด วันหนึ่งสมเด็จพระเทพพรรัตนจ้าจุณจาจะต้อเด็ดไปยกชอบฟ้าสลาดวังก็ไปเตือนอีกลยหลวงพ่อหลวงพ่อมเตือนกันกมเน็พระเทพนี้ยังไปพูดกูมึงนะหลวงพ่อนะขอสักองหนึ่งนะไม <ti> ่งั้นเสียหมดเลยนะตอนนี้ยังไม่เป็นเจ้าคนนะเป็นอธิการธรรมดาล้าชาสับหมไม่ออกเลยกูไม่พูดเลยถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อเอ้ย เออเอางี้ดิลุงพ่อเออทายังไงพวกเราจับกมนไ็ได้แล้วมึงจให้กูทําไงถามเ อ, าอย่างนี้ลุงพ่องพ่อนิ่งไนะเฉยเฉยพระเทพจะว่าอะไรจะถามมึงข้อเฉยเงียบไปเลยรับรองมันจะได้ไม่หลุดปากพ่ากูว่ามึงเอออย่างนี้กูพอทาได้อ่าจบลงอย่างนี้เฉยเฉยก็ท่านก็มายอมพูดเวลาเขาเด่นเลยพระเทพมาใช่ไอมถามยังไงพระอยู่กี่องค์นี่สารานี่จะใช้ประโยชน์อะไร มางเลยสมเด็จกะเช่นเั่นสอถามนี่นยหลวงพ่อพูดช่วยพี่ยอมพูดพระเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยสมเด็จก็ชักงงฟางคนน่ะสมเด็จก็ชักฮี่มพระเป็นอะไก็เลยถามหลวงพ่อถามตั้งหลายคนแล้วไม่เห็นตอบสักทีหลวงพ่อไม่สบายเหรอมือโดนถามงี้ไม่ตอบก็ไม่ได้หพอ่อก็เลยชี้ไปที่เจ้าที่วังบอกว่าก็ไอ้พวกนี้นะ่ะสิ มันสั่งไม่ให้กูพูดเอาแล้วจะได้วางบอกเองุดมันจะ ไ, ได้สั่งไม่ให้กูพูดเกือบจะจะรอดไปแล้วตอนนี้มันได้เป็นเจ้าปุณเป็นได้ชื่อว่าปย า, านวิทยาคมท่านท่านศักดิ์สิท น, นคนเคารพกัถือวัวนักวดอายุเจ็ดสิบแล้วมั้งคือคือแต่ละคนมันจะมีแก่ดีแต่ว่าถ้าเราไปดูอ๋หลวงพ่อนี้ถึงจะพูดไม่เป็ดีอาจารย์ท่านมีของดี คนนี้หน้าตาไม่ดีแต่พูดแพระ่ะคนนี้พูดพูดไม่แพร่ะแต่หน้าตาดีเราก็นึบถือประนดีของเขาเมตตาแปลว่าการถนัดให้เขามีความสุขมองแง่ดีของเขาการุณนนาการถนัดให้เขาเป็นฟุกมองแง่ได้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแง่ดีเราก็จะไม่โกรธหาแต่ความดีของเขาออกมาเราก็จะอดทนได้และก็สบายใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของขันติ ขันติปรมีที่ว่าเนี่ยเราจะทำได้ต่อเมื่อจาคัสละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจมองแง่ดีอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรต่างๆรู้จักลืมไละให้อภัยธรรมะทั้งหมดที่มาบรรยายมานั้นนะตักจใกจริงจังจริงใจ ธรรมะสุดผลอบรมตนเองขันติทนลําบากกายและทนเจ็บใจจาคทสลักเลกและสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจรู้จักนล่งและให้อภัยมองแง่ดีกันกลับไปในที่ทํางานนั้นก็โดนว่าตัางเดิมบนบังลุกหน้าเรียกไปดาไปเอ็ดเราถามออกบนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเราก็บอกดีเนาะเขาบอกงั้นไปกันด้วยกันตัดก็ดีเนาะ มองนพราะในส่วนนี้เราอยู่ด้วยกันอย่างมองกันแง่ดีรู้จักให้กัไทยและก็จริงจังทำงานจริงจังปฏิบัติจริงจังก็จะได้เห็นผลแต่ข้อสำคัญธรรมะใดๆก็ไรค่าถ้าไม่ทำกรรมฐานที่อาจารย์ท่านสอนบอกทุกท่านทุกตอนถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ทดลองก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้น ความรู้ทุกอย่างที่ท่านเรียนมาไม่ว่าจะธรรมะหรือเรื่องอื่นที่อบรมที่นี่จะไม่มีประโยชน์กับท่านเลยถ้าท่านไม่ทดลองนำเอาไปใช้ไปปฏิบัติมิฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนมามากๆในความรู้ทั่วหมู่ตัวไม่รอดคือไม่ปฏิบัติที่นี่เขาบอกมีเงินนี่เขาผู้มีความรู้อยู่ในตําราไม่มีประโยชน์ความรู้อยู่ในตําราจะใช้ดีเอามาไม่ทันเนี่ยตัวตําราไม่ทันนักมวยจะขึ้นชกเนียไม่รู้จะเอาไม้มาไหนอยู่ในตําราแกะไม่ออก อย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าน ต, ององต้องเอาไปปฏิบัติตนิะ น, นั้นเนี่ยจะเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้สุนัขจิ้งจอกตัวนี้มันเดินอาดอ า, ดอาดมาแมวเห็นก็เลยบอกพี่พี่พี่จริ้งจอกทาไมจุ้ยแล้วเก่อนจิ้งจอกระกับโดนที่อะไรนี่ที่หน้า อ, อกนี่เี้ยเหรีทองนี่แมวดูนะที่จริ้งจอกไปขโ ม, ใมยใครมาเนี่เหรนยญทองมันขโมยนี่เขาให้มา เพิ่งจบปริญญามาหมาดมเป็นจิงจอบัณฑิตท็อปได้ที่หนึ่งเรียญทองโอยแม่บอกอุ้ยจบม่จากไหนวิทยาอะไรเนี่ยมีต้องให้เอ็นทายสุนัขจริงจอกเอทนทายก็ไปเรียนด้วเหรอจิ้งจอบอกจบมาจากวิทยาลัยป้องกันตนเองของสุนัขจิ้งจอแม่บอกไม่เคยยินเลยวิทยานี้มีเหรอจิ้งจอกบอกรุ่นแรกรุ่นแรกจบรุ่นที่หนึ่ง อ่าแล้วก็เดียอะไรกันล่ะที่จริงจอบจริงจอบอกชื่อมือนไมบอกอยู่แล้วว่าป้องกันตนเองวิรัยนี้เขาสอนวิธีป้องกันตนเองร้อยแปดวิธีให้คุนัรเจรงจอกวิธีที่หนึ่งถ้าจะตรูจู่โจมให้คุนัรเจ้งจอกแย้งตายนอนตาค้างค้งไม่กระดิกจะตรูมากระบอกเอ้นี่มันตายไม่ไปยุ่งกับมันอ่าโอ้ดีดีดแม่ว่าแล้วที่สองที่สองที่สองนี่ขึ้นต้นไม้แล็ดตรงแล้ม จิงจออื่นขึ้นได้แต่จิงจอกปริญญาเนี่ยขึ้นได้ที่สามลงหลงที่สีดำน้าที่ที่ห้าไหวน้าทั้งข้ามนุ่กบกันเชียงอะไรยเงยโอ้ัโยแมวฟังเรื่องสายปกพี่ไม่ต้องทองอถ้ายงั้นรู้ว่าแน่ว่าจบจริงๆแต่ถามหน่อยเทีเรียงหมานี่ทาเป็นหรือเปล่าที่แต่ว่าแต่แล้วทฤษฎีที่ว่าเฮ้ยทำได้สิที่นี่เามีปึกเขมอยู่นะมีภาสนามแล้ไปเข้า่ายนล้วเจ็ดวันบั่งอะไรบั่งโอ้สบายกของแท้ เออถ้าอย่างั้นพี่เจิงจอบสอนแมวทัก2สองสามวิธีได้ไหมให้แมวไว้ป้องกันตัวเองเจิงจอบไม่เคยสอนไรว้หน้าสอนแมวเป็นผสมภาษาพวกธะแม่ว่าเอาถ้าอย่างนั้นจะสอนเปิดรักสูตรเล่รักเติวเข้ม Intensive c อ s t ไม่คิดท่ารือกิจเติ้เป็นขั้นทางนั่แหละเคล็ดลับว่าอย่างนี้ทีต่ตัวทีหนู สุนัขกินกจอไม่เคยไม่เคยสอนมาก่อนนุ่ยกมือไฟหลังก็หลับตาพูดท่องไลหนึ่งสองสี่ห้าแมวสนใจมากฟังตามเป้าตามภาษาแมวจดบ้างเล็กน้อยแล้วปรากฏว่ากำลังติ้วไปอยู่นั่นเองในในพรางเดินมาข้างหลังสุนัขมันเป็นทางโค้งในพรางเดินมารุกสอนกระดูกกะพายเลยลูกสอนเต็มกระบอกเลยพอเห็นสุนัขี่เกจอกำลังจุยเล็กเจ๋อ ขนนี่ยิงมันสักหน่อยขึ้นขนูเต็มยิงแมวมันลืมตาฟังมันมองพอเห็นในพายตัวยิงมันพวกเดียวมันขึ้นอยู่อยู่ข้าว ข, าขามไมเลยสันญญาอยานะน้องจิงจอกมูจหลับตาพูดถามแมวแมวไม่ตอบลืมตาเอาแมวหายหันไปข้างหลังเห็นในพายมันจะยิงอยูนักจิงจอกความรู้ยอะเรียนมาร้อยแปดทฤษฎีแกก็เลยคิดนีใช้ทฤษฎีบทไหนดีว่อาจารย์จะร้อยแปดนึกควรก่ออันไหนจะเหมาะที่สุด ทฤษฎีบทที่หนึ่งให้แกล้งตายมันจะไม่ทันนะมันจะตายซะจริงๆนะทฤษฎีท ส, สองให้ขึ้นต้นไม้ก็แต่ชนเมฆตกลงมาตายทั้งตู่ทฤษฎีที่สามลงหลุมยังฝุดไม่ทันดำน้แบบนีนะ่ะโอ้ทอยไไทํายังไงดีเท้าใหญ่แล้วนะสิบไม่ทนถึงสิบนะลูกสนูมาเลยงอตะหลักตาโกนลูกธนูมเสียบตัดขั่วหัวใจตายคาที่เป็นหมา ข, ข, ขั้งถนนเลยนะ แมวเห็นก็ตอนแรกเชียร์ใหญ่รุ้๊บรุ้๊รุบโอ้ยทนเลยแต่แล้วผมสุ้าจริงจอดตายแมวผลหัวลุกตกใจคงยุ่ยเลยแต่นั้นผลพองตั้งเลยแมวเนี่ยเพราะทางนั้นแหละตกใจแมวมันพุ่มพอมเบบอกโชคดีนะเราไม่บวด้วยนโชคดีที่เรียนไม่จบหลักสูงไม่น่าจะเปิดหัวนั่นเด็ดขาดไปจะหามันไม่ได้อยู่ที่เรียนเจบเรียนมากเลยนน้อย ปัญหาอยู่ที่เรียนแล้วไม่ได้อะไปใช้ไมได้อะไรทำความรู้เลยมาไม่ทันสัันติมาไม่ทันขันแต่เมก่อก่อนพูดไปพูดใช้ไม่ทันเพราะฉะนั้นธรรมะใดๆแล้วก็อะไรค่าท่าไม่ทำฝึกปฏิบัติทั้งสี่ข้อเมื่อท่านอยู่ที่นี่มีสัจจะตั้งใจอธิษฐานจะทําจริงมีธรรมะฝึกตนเข้มงวดตามที่อาจารย์แนะนํามีขันติอดทนเมื่อเมื่อยเมื่อปวดเมื่อหิวเมื่อง่วง และจากะลืมเรื่องยุ่งๆในที่ทํางานที่บ้านที่อะไรต่างๆความโกรธความอะไรส่ตว์สลับไปจิตใจมุ่งปฏิบัติจริงจังเราก็จะได้เห็นผลของการปฏิบัติอาตมาได้มาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังขอสังเกตแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ขอท่านคุณพระศรีธัชนาตรายและบารมีที่ท่านทั้งหลายบุญบารมีที่ท่านครูบาอาจารย์และท่านทั้งหลายได้มาถึงมา จงรวมกันเป็นสบับสิทธิชาติเป็นพลวะปัจจัยอานวยอวยพรในทางหลายจงประสบความสําเร็จในการปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้าในการงานสมบูรณ์ด้วยหลากยศสุรเสริญทุ ก, ทกทททยิ่งพาดเป็นการศาสนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ธทมขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จสิทธิกิตจังสิทธิกำมังสิทธิราโพชัิโยนิจจังทุกท่านทุกคนเทือง